มีใครอยากจะถามอะไรไหมได้ก็เลยมาใกล้ๆหน่อยจะได้ยินที่เ่นคุณคจะถามว่าเอ่อที่เคยได้ยินอ่านหนังสือเคยได้ยินนะคะเาบอกว่าถ้าเราทำบุญนะคะแล้วถ้าเราทำกับผู้ที่มีศีลมากหรืออย่างพระ อันระเจ้านหรืออย่างพระที่ที่ปฏิบัติที่เราชอบค่ะจะได้บุญมากกว่าทำบุญกับคนทั่วทั่วไปอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่าเราเวลาเราทำบุญเราก็ทำไม่จำเป็นต้องเจาะจงเจจะเหมือนกันได้บุญคือทำบุญนี้มันมีประโยชน์สองส่วนบุญสองสองอัน บุญอันแรกก็คืออาหารเราทำบุญแล้วใจเรามีความสุขมีความอิ่มอันนี้ทำกับใครก็เหมือนกันส่วนอีกอันหนึ่งคือบุญที่เราจะได้รับจากที่บุคคลที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบุคคล น, นั้นเขามีอะไรจะให้เราถ้าเขามีสินเขาก็จะให้สีลเราเขามี ปัญญาเขาก็จะให้ปัญญาเราถ้าเราต้องการคนสอนเรื่องศีลเราก็ต้องไปทํามือกับคนที่มีศีลเราก็จะได้สอนเรื่องศีลเนีเราถ้าเราต้องการปัญญาต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องไปหาคนที่เขามีปัญญาที่จะสอนเราว่าวิธีดับทุกข์เป็นอย่างไร อันนี้ก็เป็นบุญอีกก้อีกอันหนึง่งบุญที่เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ธรรมะแล้วธรรมะนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นดังนั้นอยู่ที่ว่าเวลาเราทำบุญนั้นเราต้องการอะไรถ้าเราเพียงแต่ต้องการทำบุญให้สบายใจให้สุขใจเราก็ทำกับใครก็ได้ ่ถ้าเราต้องการความรู้เช่นธรรมะเราก็ต้องไปทํากับพระที่มีธรรมะพระแต่ละรูปนี้ท่านก็มีธรรมะไม่เท่ากันเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ไม่เท่ากันนักเรียนระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแต่ละขั้นก็มีความรู้มากน้อยต่างกันไป ถ้าเราต้องการความรู้ระดับมัธยมแล้วก็ไปคุยกับนักเรียนที่เขาเรียนอยู่ในระดับมัธยมถ้าต้องการระดับปริญญาตรีก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาจบปริญญาตรีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการความรู้ในเรื่องศีลธรรมก็ต้องไปคุยกับพระที่มีศีลธรรม ถ้าอยากจะได้พระอาความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิก็ต้องไปคุยกับพระที่นั่งสมาธิเป็นถ้าอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับปัญญาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องไปคุยกับพระที่มีปัญญาพระมีปัญญาก็มีหลายมีสี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาน์ แต่ละคนก็จะสอนได้ในระดับที่ตนรู้สอนที่สูงกว่า น, นั้นไม่ได้เช่นพระโสดาบันก็จะสอนให้เราบรรลุเป็นโสดาบันได้แต่ไม่สามารถบรรลุให้เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไปคุยกับพระที่เป็นพระอรหันต์แล้นั้นก็จะสอนให้เราบรรลุได้อันนี้เป็นบุญ ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยอันนี้ก็มีสอ ง, ส, องส่วนเหมือนเวลาเราไปเติมน้ำมันรถยนตนะ์บางปั๊มเขาก็มีของแจกบางปั๊มก็ไม่มีถ้าเราต้องการน้ำมันอย่างเดียวเราก็เติมปั๊มไหนก็ได้แต่ถ้าเราต้องการของแจกเราก็ต้องไปหาปั๊มที่มีของแจก ก็จะได้ทั้งน้ำมันได้ทั้งของแจกนะอันนี้ก็เรื่องของการทำบุญกับบุคคลต่างๆว่าเราจะได้รับบุญมากน้อยอย่างไรแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระอริยะแต่เราไม่ฟังไม่คุยกับท่านถวายข้าวของเสร็จก็ขอกลับบ้านอันนี้ก็ทำกับมันก็เหมือนกับทำกับใครก็เหมือนกัน ว่าเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้สนทนาธรรมถ้าเราอยากจะได้ธรรมจากพระอริยะเราก็ต้องสนทนาธรรมกับท่านอันก็จะแสดงธรรมให้เราฟังอย่างวันนี้โยมมาทําบุญแล้วก็โยมก็มีคําสงสัยอยากจะรู้ว่าการทําบุญนี้ต้องเลือกหรือไม่เลือกก็ ก็คงจะได้คำตอบอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขใจสบายใจเราก็ไม่ต้องเลือกทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้ทำแล้วก็จะมีความสุขใจสบายใจแต่พ่อแม่ไม่มีธรรมะหรือถ้ามีก็มีน้อยก็ได้เท่าที่เขาจะมีบให้กับเรา ถ้าเราต้องการธรรมะมากๆขั้นสูงๆเราก็ต้องไปหาผู้ที่มีธรรมะขั้นสูงๆคงจะเข้าใจแล้วนะวันนี้ได้เพ่มาได้บุญน้อยได้บุญมากใช่มับก็บุญมากบุญน้อยก็คือมีความสุขมากหรือมากน้อยต่างกันไงถ้าบรรล้เป็นพระโสดาบันก็มีความสุขมากกว่าพระที่ มีสมาธิอย่างเดียวแล้วถ้าได้พระสะกิราค้ามีก็จะได้ความสุขมากกว่าพระโสดาบันถ้าได้ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็จะได้ความสุขเต็มร้อยคำว่าบุญก็คือความสุขใจความสบายใจการทำบุญทำทานนี้ก็ได้ความสุขใจสบายใจในระดับหนึ่ง ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ก็รักษาศีลรักษาศีลหก็จะได้บุญได้ความสบายใจมากกว่าการทำมุญทาทานถ้ารักษาศีล8ได้ก็จะได้มากกว่าการรักษาศีล5้าเราอยากจะได้มากกว่าการรักษาศีลก็ต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็จะได้บุญได้ความสุขมากกว่าการได้จากการรักษาศีล ถ้าอยากจะได้บุญมากกว่าการนั่งสมาธิก็ต้องศึกษาให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาจะทําให้เราได้รับบุญได้รับความสุขที่ไม่เสื่อมความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังเสื่อมได้ออกจากสมาธิมาแล้วเดียวมันก็เสื่อมแต่ถ้าได้ปัญญาแล้วมันจะไม่เสื่อมอันนี้ก็มี เป็นบุญระดับต่างๆมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราทำทานก็เหมือนกับได้แบงยีสบนี้ถ้ารักษาศีลห้าก็ได้แบงห้าสบรักษาศีลปก็ได้แบงร้อยถ้านั่งสมาธิก็ได้แบงห้าร0อถ้าเจริญปัญญาก็ได้แบงพัน จะเอาอะไรก็เลือกเอาแต่จะไปจะเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่ได้จะนั่งจะเอาสมาธิโดยไม่มีศีลก็ไม่ได้การนั่งสมาธิก็ต้องมีศีล8ก่อนจะมีศีล8ได้ก็ต้องมีศีล5ก่อนจะมีศีล5ได้ก็ต้องทําบุญให้ได้ก่อนเพราะคนทําบุญแล้วจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรักษาศีล5ได้ คนที่ไม่ชอบทำบุญก็แสดงว่าอย่างโลภยังอยากได้เงินยังหวงเงินหวงทองอยู่ก็จะรักษาสีไม่ค่อยได้คนอยากจะได้เงินมักจะไปทำบาปกันเพื่อจะได้เงินมามา ก, มากๆเร็วๆง่ายๆอย่างนั้นทำขั้นต่างๆนี่บุญขั้นต่างๆนีก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยมีขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยม ขั้นอุดมศึกษาที่เราบอกว่าเราอยากจะเข้าอุดมศึกษาเลยเพราะบุญมากได้ความรู้มากแต่ถ้าเรายังอ่านกองไก่ขอไขไม่ได้เราก็ไปเรียนก็เรียนไม่ได้สอบเข้าเขาก็สอบตกก็สอบสอบไม่ได้ระดับสูงๆเขาไม่อยู่ดีๆใครอยากจะเรียนก็ให้เรียนที่ไหนเขาก็าต้องคัดเลือกดูว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้หรือเปล่า ทำก็เหมือนกันทําทุกขั้นก็ต้องมีการสอบคัดเลือกสมัยนี้เรียนอนุบาลยังมีสอบคัดเลือกเลยนะใช่ไหมก็ <c oughs> ว่าอะไรเน้นทำเหล่านี้มันก็จะมีการคัดเลือกการที่เราจะทําบุญทําทานได้นี่เราต้องมีอะไรเราก็ต้องมีความเมตตาเราต้องมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเขามีความสุข เราลักใครนี่เราก็มีความเมตตาพอเรารักใครเราก็ให้เขาง่า ย, ยาซื้อขา้าวซื้อของซื้ออะไรให้เขาอย่างพ่อแม่รักลูกนี่ซื้ออะไรให้ลูกได้อย่างเต็มที่สละเงินทองสละความสุขของตนให้กับลูกเพราะความเมตตาพ่อแม่จึงทำทานให้กับลูกได้อย่างง่ายดายแต่เราต้องทำกับทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะลูกหรือคนที่เรารัก สัพเพสัตตาพุทธเจ้าบอกต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดาชะหรือเทวดาอินพรเราต้องมีความเมตตาต่อทุกๆคนถ้ า, ามีความเมตตาการทำทานการให้ก็จะง่ายเพราเราอยากจะให้เขามีความสุขกันถ้าเรายัางทำทานไม่ได้เราต้องหัดเจริญเมตตา ต้องสึกต้องต้องหัดสอนใจว่าต่อไปนี้เราจะต้องรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราเพราะการรักผู้อื่นมากกว่ารักตัวเราทำให้เรามีความสุขมากกว่ารักตัวเราเรารักตัวเราเราก็อาจจะไปทำร้ายคนอื่นได้แต่ถ้าเรารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเราเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาเมื่อเราไม่ทำร้ายเขาเราก็จะไม่ทุกข์ ความทุกข์ใจของเราเกิดจากการที่เราไปทำร้ายคนอื่นความสุขใจของเราเกิดจากการที่เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นใครเขาทำร้ายเราเราก็ให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมนีอันนี้วสเพสตาอเวราโหนตุอย่ามีเวรกรรมกั น, นขั้นตอนก็ต้องมาศึกษาว่าความเมตตานี้ทำอย่างไรถึงจะมีความเมตตา ที่ให้ส่วนนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเรียนว่าเมตตาคืออะไรเวลาเราสวดมาแล้วาสวดบทสเปสัตตาอเวราโหตุเรายังไม่ได้แผ่ให้ใครเราเพียงแต่มาเรียนรู้ว่าการแผ่เมตตานี้ทำอย่างไรอเวราก็ไม่ให้จองเวรจองกรรมอเ บ, บยาปัจชาก็ไม่ให้เบียดเบียนกันสุขีอานิคาโหตุก็ อยากอยากให้เขามีความสุขทางกายและทางใจอา น, นิคารหนตุแปลว่าอะไรนี่ยจำไม่ได้นะสุขีอตานังปาลิหารันตุนี่อยากให้เขามีความสุขอา น, นิคารหนตุอยากให้เขาไม่มีความทุกข์ทางกายและทางใจ น, นี่คือความเมตตาที่เราจะต้องมีต่อ สรรพสัตว์ทั้งหลายเน้นเวลาที่เราจะแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราไปเจอกันอย่างตอนนี้โยมมาเจอกันมแวเนะี่ยโยมก็แผ่เมตตานะนี่เอาข้าวของมาถวายนี่เรียกว่าแผ่เมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีอยากจะให้พระสงองค์เจ้าท่านไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจเพราะถ้าขาดปัจจัย4ี่มันก็จะทําให้ทุกข์กายทุกข์ใจได้ ก็อะไรนำเอาเข้าวของต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาโดยการทำทานถ้าไม่เบียดเบียนกันก็ก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบาปนั่นเองก็รักษาศีลกันไปก็เป็นการแผ่เมตตาในแบบนึงเวลาหหนตุก็ไม่จองเวรจองกรรมกันอันนี้ก็เป็นการให้อภัย การมีเมตตาก็จะทําให้เรามีความสุขอา น, นิสง์ของความเมตตาท่านบอกว่าตื่นก็สุขหลับก็สุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายฝันดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ตายด้วยสัตว์ราวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครจะมาฆ่าเราเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเขาโกรธเกลียดเรา ก็จะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าทำร้ายแล้วถ้าตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ไปสุคตินี่คือประโยชน์ของการมีความเมตตาแล้วจะทําให้เราสามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ทําให้เราจะได้ทําทานอย่างสม่ำเสมอก็ทําแล้วเราจะมีความสุขใจสบายใจ เราก็จะรักษาศีลได้พอรักษาศีลแปดได้ก็จะภาวนาได้ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิสวนมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความสงบ เ, เกิดความฉลาดให้รู้ว่าความสุขของเราเกิดจากอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรเราจะได้ตัดเหตุที่ทำให้เราทุกข์ เราเจริญเหตุที่ทำให้เราสุขแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นที่ด้วยความเมตตาเราต้องมีความเมตตาต่ อ, ต อ, ตอสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอย่าเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันให้ความสุขให้ความสุขกับกันและกัน แล้วเราจะมีความสุขความทุกข์จะไม่มีภายในใจแล้วเราจะทำสิ่งที่ดีได้ทาบุญทาทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดจากการที่เรามาทําบุญกับพระที่มีธรรมะให้เราถ้าไปทําบุญกับ คนที่ไม่มีธรรมะเขาก็จะไม่มีธรรมะให้เราเช่นถ้าไปทาบุญกับโรงพยาบาลก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆไปทาบุญกับอาจารย์ตามโรงเรียนก็จะพูดเรื่องวิชาความรู้ต่างๆให้เราฟังแต่เขาจะไม่มีธรรมะให้เราถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะ พระก็มีธรรมะหลายระดับบางท่านก็สอนระดับทานไปที่ราย็ให้ทำบุญอย่างเดียวบางท่านก็สอนให้รักษาศีลบางท่านนั่นก็สอนให้ภาวนาทาใจให้สงบบางท่านบางท่านก็สอนให้โปรงอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ ป, นปัญญาพิจารณาว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าเราไม่มีความอยากอยู่แล้วเวลาตายเราจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์ก็ยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายกันนี่มันมันห้ามความตายได้หรือเปล่าเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเลเราจะได้ไม่ทุกข์ เมื่อไม่ทุกเราจะเป็นจะตายมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอเลยเป็นก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกมันก็เท่ากันแต่นี้เรายังทําใจไม่ได้เรายังไม่มีปัญญากันเรายังไม่เห็นความตายกันเรายังคิดว่าเรายังจะอยู่กันยังยังไม่เชื่อว่าเราจะตายกันใช่มเชือแต่ว่ายังทำบุญยังทำบุญไม่เยอะพอยังไอยากตานัเชื่อเชื่อแลมัน เชื่อแล้วมันก็ต้องยอมตายสิงี้มันอยู่มันตกนรกเนเพราะว่ามันยังทรมิตไม่เยอะอะไรันไอที่ไม่ยอมตายนี่นะมันถึงจะตกนรกไม่ใช่อะไรหรอกถ้ายอมตายแล้วมันไปนิพพานเลยเออมันไม่ต้องมาตกนรกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดออนิพพานอยู่ภากตายเข้าอย่างไรอ่าก่อนที่จะไปนิพพานนี่ต้องยอมตายถึงจะไปนิพพานได้เอครูบาอาจารย์นี่ท่านไปยอมตายกันในป่าทิ้งเอาร่างกายไปทิ้งไว้ในป่ากันทุกอง อภิษฎเจ้าพร ะ, าะสาวกทั้งหลายท่านแปลร่างกายไปทิ้งในป่าไปฝังไว้ในป่าแล้วท่านถึงไปนิพพานกันได้ถ้ายัางอ ย, อยากอยู่ก็นี่แหละก็ยังต้องมาเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่แหละเ <c oughs> พราะพอตายแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมเพราะนั่นแห <c oughs> ละก็เดี๋ยวก็กลับมาทมําบุญใหม่ได้ไงเดี๋ยวตายไปแล้วบุญยังไม่พอก็กลับมาทําใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่มันถึงกลับมาเกิดอยู่เรื่อย ก็ยังอยากจะทําบุญอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าบุญบบบุุุญที่ทํานี่ก็เพื่อมาให้มาปองนี่เองทําบุญเพื่อให้เรามีกําลังมาปองว่าใจมาทําบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่อมาเกิดนหะไม่ใช่คือกำลังตอนนี้ช่างน้ําหนักดูอยู่มีบัญชีว่าบัญชีบาปมันยังเยอะกว่าบัญชีบุญเลยก็เลน่าเฮ้ยถ้าไปตอนนี้ปุ๊บเนี่ยอะมาก ก็โป่งนี่แหละบุญมากกบบาว่าป <c oughs> ่าอีกกรใจายไหอยากได้บุญเยอะๆไ like, งปัญญา Network. นี่ไงนี่แหละต้องปงนี่แหละแล้วชปล่อยตามเนือ่องอยู่ก็อยู่ตายก็ใช่เหมื<ะ>อนฝนฟ้าฝนฟ้าอากาศเราไปห้ามมันได้เป่าฝนตกแดนออกเราเห็นเดือดร้อนกับมันนะเพราะเราไม่ไปยุ่งกับมันใช่ไหอการร <Stan. S 1> ่างกายนี่ถ้าไปยุ่งกับมันทำไมมันก็เหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะเจ็บขึ้นมาไปห้ามมันได้เปล่าใช่ไหมกินของอ่ะ อาหารสแลงก็ไปเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมาปวดท้องอย่าทำอะไรก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายจะอยู่แบบไห น, นอยู่แบบทุกข์แล้วอยู่แบบไม่ทุกข์อยู่แบบไม่ทุกข์ก็ดูอาการไปรักษาได้มียากินก็กินไปไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายแต่ใจไม่ไปโวยวายไม่ไปวุ่นวายไม่ไปวิตกไปเครียดโอจะเป็นอะไรมากมายหรือเปล่า เป็นมาลงมาเลงหรือเปล่าคิดไปร8นะอยแะอันนพอไม่พอม่อยากตายไม่อยากเจ็บนะแต่ถ้ายอมเจ็บยอมตายก็ดูมันไปเท่านั้นเองรักษาตามอาการไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนะใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็เป็นเหมือนกับตอนที่ยังไม่เจ็บอย่างตอนนี้ไม่เจ็บก็สบายเวลาเจ็บก็สบาย สบายเพราะปัญญาสบายเพราะสมาธิต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาถึงจะปลงได้ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ปลงไม่ลงใจไม่ยอมปล่อยปัญญาบอกให้ปล่อยรู้อยู่ต้องตายแต่ยังไม่ยอมปล่อยกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยแต่ถ้ามีสมาธินี่กิเลสมันสู้สมาธิไม่ได้เวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่กิเลสมันหยุดทางาน ตัวที่หยุดหยุดกิเลสก็คือสมาธิรูสติตัวที่ฆ่ากิเลสก็คือปัญญามันต้องมีทั้งสองอันมีทั้งตัวฆ่ากับตัวที่หยุดมันมันต้อ ง, ต, องต้องหยุดมันก่อนจับจะฆ่าวัวฆ่าควายเนี่ยต้องจับมาันมัดกับเสาก่อนจับมันมัดให้มันนิ่งแล้วก็ฆ่ามันได้ถ้ามันยังวิ่งอย่างี้ไปไล่ฆ่ามันยังไงใช่ไมมันไม่ยอมเนา ใจก็เหมือนกันถ้ายังไม่สงบให้มันปรงไม่ยอมปรงให้มันยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนี่มันไม่ยอมแต่ถ้ามันสงบแล้วมันจะยอมเพราะมันเห็นว่ายอมมันสบายกว่าไม่ยอมเนี่ยเครียดทุกเนเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วพยายามหนีตำนํำรวจหนีไปทำไมยอมดีกว่าก็จับไปสบายไม่เครียดจับไปมีคนเลี้ยงดูเส้อด้วยซ้ไป มีที่อยู่ฟรีบ้านฟรีอาหารฟรีมีรอปรพอรักดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงเปนหนีให้เหนื่อยทำไมไปอยู่ในป่าในอะไรอดอดอยากอยากทไมยอมยอมให้เขาจับไปขังคุกไม่ดีกว่าข้าวสามมือ้อใช่ั้ยข้าวฟรีน้ำไฟฟรีค่าเช่าไม่มีแล้วยังมีรอปรพอรักดูแล24ชั่วโมงปลอดภัย อยู่ในคุกนี่ไม่มีใครไปตามฆ่าไดนะ้ถ้าอยู่ในป่านี่ในเขานี่ถ้ามีศัตรูเขาจะตามฆ่าเราได้แอนยอมนั้นดีกว่ายอมแล้วมันจะหยุดหยุดหยุดหยุดดิ้นหยุดหนีหยุดต่อสู้พอหยุดแล้วมันก็จะเย็นก็่านจำไว้นะสูตรสามยอมเนี่ยยอมหยุดแล้วก็เย็นยอมแก่ยอม ยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะได้อยู่ต่อสู้อยู่ต่อต้านตอนนี้เราต่อต้านกนะินความแก่นี่เห็นไหมผมนี่ต้องยอมนะไหมพอมันขาวขึ้นมานี่ต้องยอมนะหนังเหี่ยวนี่ต้องไปหาอะไรมากินให้มันตึงแล้วถ้ามีสิวมีฝ้ามีอะไรหน่อยวุ่นวายแนละ้วไม่ยอมถ้ายอมก็ปล่อยมันเฉยๆไปมันจะขาวก็ขาวไปมันจะเหี่ยวก็เหี่ยวกั ใจก็สบายเหมือนกันยังไม่แก่ใช่ไหมเจ็บก็เหมือนกันเจ็บก็ปล่อยมันไปรักษาได้ก็รักษาไปมันจะตายก็ให้มันตายไปจะทำไงได้ห้ามมันได้ที่ไหนเนี่ยมีทานี้แหละพอยอมแล้วก็สบายยอมแล้วก็หยุดหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านพอหยุดต่อสู้แนละ้วมันก็เย็นสบายถ้าต่อสู้ก็เครียดต้องไปหา อย่ายอมผมมายอมมาหาหมอคนไหนเก่งในเรื่องสัญญกรรมตกแต่งถ้าเจ็บไข้ก็ต้องไปหาหมอที่เก่งทีอ่อะไรต่างๆอย่างนั้นรงถ้าแบนี่คือปัญญาอยาจะได้บุญสูงๆก็เ น, นี้ยแหละถึงบอกว่ามัน คนที่บอกอยากจะเอาปัญญาเนี่ยมันมันพูดง่ายแต่ทำทำไม่ได้หรอกโอถ้าถ้าปัญญามันบุญเยอะงั้นก็ไม่ต้องทำทานอยว่กับเสียดายเงิน <c oughs> ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องนั่งสมาธิใช้ปัญญาอย่างเดียวปัญญาจริงๆก็นี้ะปัญญาที่จะมาใช้กับการดับความทุกข์ใจ คนบางคนคิดว่าปัญญาคือการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกศึกษาอภิธรรมจําคำภีร์ได้หมดโอ้มีอะไรบ้างเรียกปัญญาเรียกปัญญาเก้เขาปัญญาที่ยังไม่มาดับความทุกข์ไม่ได้ปัญญาจริงต้องปัญญาที่ดับความทุกข์ได้เวลาแก่ไม่ทุกเวลาเจ็บไม่ทุกเวลาตายไม่ทุกเพราะมีปัญญา เพราะรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักคนที่เรารักรู้สึกเฉยเฉยอย่างนว้คนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพลากจากการไปไม่ได้นี่แหละปัญญาไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมร้อยคำพีหรอกไม่ต้องไปท่องชื่ อ, อ ทำมาร้อยชนิดร้อยอย่างท่องให้ไปเสียเวลาเปล่ า, ามาท่องแค่สามตัวเนี้แก่เจ็บตายพัดพากจากกันแล้วก็ทําใจให้ได้เท่นเองก็ได้ปัญญาแล้วเพราะว่าจะไม่ทุกข์กับมันคนที่ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่นพอเจอความตายก็ทุกข์แล้วเจอความเจ็บก็ทุกข์แล้วเพราะไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไร ปัญญาคือการเห็นความจริงเห็นความจริงก็อนิจจาน่างกายนี้มันอนิจจาไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟมันจะเป็นตัวเราได้ตรงไหนดินเป็นเราได้ตรงไหนน้ำลมไฟมันก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมเวลาคนตายไปมันไปไหนละ่ะมันก็ไป กลับไปที่เดิมน้ำมันก็กลับไปหาน้ำลมก็ไปหาลมไฟก็ไปหาไฟดินก็เหลือแต่ดินนมั้ยกระดูกก็เป็นดินเผาไปก็เป็นขี้เถ้าไม่ใช่ตัวเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่เขาไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมเขาไม่ได้เวลาเอามาเอามาเราเอามาได้แต่เวลาเขาจะไปเราห้ามเขาไม่ได้ เวลาเราดื่มน้ำเราก็เอาเขาเข้ามาแล้วเวลาหายใจนี่ก็เอาลมเข้ามาแล้วเวลากินอาหารมันก็เอาดินเข้ามาแล้วกินข้าวเข้ามาจากไหนข้าวก็ดินดินนี่เองอใช่ไหมแล้วก็มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ ำ, อ, น ำ, น ำ, นำอะไรต่างๆมันก็น้ำเป็นอาการสามสิบสองเป็นร่าง ก, กายขึ้นมา เรามายึดมาครอบครองก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นเราขึ้นมาเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรานี่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเราก็เลยมาสายร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายก็เลยไม่อยากให้มันตายเพราะคิดว่าถ้ามันตายแล้วเราจะตายไปกับมัน คาจริงเราไม่ได้ตายมันตายไปเราก็ยังอยู่จะอยู่แบบไหนอยู่แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ถ้าอยู่แบบพวกเราก็กลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีกิเลสมีความอยากมีความโลภอยู่ก็กลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาทุกข์ใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาดิน้นนอนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพาดพ า, ดาดจากกัน ต่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จักวิธีหยุดตายไปก็กลับมาใหม่เพราะยังอยากอยู่ยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายอยู่ยังไม่ยอมตายถ้ายอมตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าหยุดความอยากหยุดความอยากใช้ร่างกายไนดะ้ก็มันร่างกายจะตายไม่ตายก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้ยังต้องใช้ร่างกายอยู่ ยั ง, ต, ง, ยงต้องดูต้องฟังยังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็เลยไม่อยากจะให้ร่างกายจากเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนจะมีหรือไม่มีร่างกายเราก็ไม่เป็นปัญหาเลยจะเลิกใช้ร่างกายได้ก็ต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็จะหาความสุขจากการนั่งสมาธิไม่ต้องหาความสุขจากร่างกายไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องทำอะไรใจก็จะเย็นจะสบายไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องมีร่างกายถ้ายังอยากดูอยากฟังอยากหาความสุขทั้งร่างกายอยู่ก็ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนเพราะความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังมีอย่ยังไม่หมดนี่คือเรื่องของอธรรมะเรื่องของอสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราไปทำบุญกับผู้ที่มีธรรมะเขาถึงบอกว่าทาบุญกับผู้ที่มีธรรมะมากจะได้บุญมาก เพราธรรมะก็คือบุญนี่ธรรมะจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความสบายใจทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมยังไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติขอเพียงแต่ทําบุญให้สบายใจก็ทํากับใครก็ได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้อยากจะทําอะไรอยากจะทําบุญแบบไหนก็ไปทําบุญแบบนั้น อยากจะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปทำกับโรงพยาบาลทำกับโรงเรียนก็ไปทำกับโรงเรียนทำกับวัดก็ไปทำกับวัดแต่ถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องไปทำกับคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระอารานตะสัมมาสัมพุทธเจ้าลองลงมาก็พะระปเจกับพุทธเจ้าลองลงมาก็พระอารานตัสาวก ลองลงมาก็พระ อ, อนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันเนี่ยพระอริยบุคคลสี่ประเภทที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนเนี่ยก็คือเนี่ยพระอริยสีประเภทพระอริยปุคคลาเอสสะภะวโตสาวะกะสังโกนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือ พระโสดาบัรพระสกิดาขามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์บุคคลเหล่านี้มีธรรมะต่านกันตามความรู้ความสามารถเหมือนระดับปัญญาตรีโทเอกมีความรู้ไม่เท่ากันถ้าอยากจะได้ความรู้สูงสุดก็ต้องไปเรียนจากผู้ที่มีธรรมะที่สูงสุดก็คื อ, คอพระอาหารหันต์ขึ้นไปพระอาหารหันต์พระปฏิเจกขพระพุทธเจ้า จะให้เราธรรมะได้เต็มร้อถ้าพระอนาคามีก็ให้เรา75ร้อยละเจ็ดสิบหาพระสกิฎ า, ารามีก็ให้ร้อยละห้าสิพระโสดามันก็ให้ร้อยละ25นี่คือการเรื่องของการเลือกบุคคลในการทําบุญหรือไม่เลือกก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร ถ้าเรายังไม่ต้องการธรรมะเราก็ยังไม่ต้องไปทำบุญกับพระอาหารหันต์้เสียเวลาไปแล้วก็ไปก็ทำเสร็จเราก็กลับบ้านไม่ได้อยู่ฟังเทศฟังธรรมถ้าอยู่ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ทำแต่ถ้าเรายังฟังไม่รู้เรื่องเรายังไม่พร้อมก็ทำกับคนอื่นก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับ ที่ไหนก็ได้ที่เกิดประโยชน์ทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วแต่ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปาไปทำกับบุคคลที่มีธรรมะยนันพอเข้าใจหรือยังว่างนะถามแนวทางปฏิบัติทรมาที่ไว้ใจว่าให้ เรานั่งสมาธิให้นั่งลงลให้เข้าไปรวมเจตนะฮะ uh huh. ประปรองให้อยู่นานๆนนจะได้พักนะฮะอัน uh huh. นี้บางทีเพารวมไปได้แล้วมันก็สักพักมันก็อาจจะมีความคิดขึ้นมาจากใจหรือว่าเป็นเวทนาขึ้นมาก็หย <c oughs> <c oughs> ุดก็พอตอนนี้เราก็มองเพ่งว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันไปเก็ปล่อยไปแค่นั้นถูกไหมครับคือตั้งหยุดมันเนี่ยคับนะพ จะให้มันกลับมานิ่งใหม่ไงครับมันเหมือนเหมือนปลาที่เราจับไว้มันเริ่มดิ้นเราก็ต้องมัดให้มันแน่นขึ้นมันจะได้ไม่ดิ้นครับถ้าจิตนะ้าใช้วิธีมองว่าเป็นอนิจจังความทิพมาก็ปล่อยไปแล้วมันอยู่นั่นนิดหนึ่งถ้ามันนิ่องพระพุทธเวทนาเข้ามาเอแล้วก็ปล่อยมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็คงไปแต่ไม่ไม่อยากให้มันหยุดก็มันจะเปก็เป็นไปใช่ไหมอ่าแล้วก็ปล่อยไปถูกไหมครับตอนนถูกไม่ถูกก็อยู่ที่นั่งต่อไปได้ ถ้ายังต่อไปได้มันนิ่งมันสงบก็ถูกถ้าไม่นิ่งไม่สงบก็ไม่ถูกตถ้าต้องการให้มันนิ่งไปนานๆนิ่งเป็นชั่วโมงไปเพราะว่าบางทีกําลังของสติเราหมดเราก็ต้องเติมเพราะการนั่งสมาธินี่มันมีการเหมือนชักกระยี่ยวระหว่างกิเลสกับสติของเรา สติเราจะดึงมันเข้าข้างในกิเลสมันจะดึงใจออกข้างนอกเฉัน้นใครมีกำลังมากกว่ามันก็จะชนะถ้าสติมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบถ้ากิเลสมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสเฉนั้นมันเป็นการดึงกันไปดึงกันมา<แ>ช่วงที่สงบก็แสดงว่าสติมีกาลังมากกว่าพอ สติเริ่มหมดกำลังกิเลสมีกำลังมากกว่ามันก็อยากจะคิดอยากจะลุกแล้วถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่นึงมันเข้าไปใหม่ก็ต้องทำอย่างนี้ไ ป, ไปจนกว่าเราจะสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราชำนาญแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญานี้มันต้องใช้ความคิด แล้วบางทีมันคิดเลยเถิดมันก็จะฟุ้งเราก็ต้องหยุดมันด้วยสติด้วยสมาธิพอมันฟุ้งเราก็ต้องเดินกลับเข้าไปในสมาธิให้มันหายฟุ้งเพราะวฟุ้งแล้วมันก็ไม่เป็นปัญญาแล้วมันเป็นกิเลสแล้วถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ฟุ้งมันจะเข้าใจแล้วมันจะปองมันจะปล่อยแล้วมันจะวางมันจะสงบถ้าคิดด้วยปัญญามันจะไม่ฟุ้ง แต่ถ้ามันไม่เป็นปัญญามันจะฟุ้งขึ้นมาถ้าฟุ้งก็แสดงว่าปัญญาของเรายังไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสังขารเป็นความคิดปรุงแต่งเราก็ต้องหยุดมันเพราะมันไปทางกิเลสก็ต้องใช้สติใช้สมาธิหยุดมันให้มันสงบพอสงบแล้วออกมาค่อยมาพิจารณาใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไป จนกว่าปัญญาจะสามารถทำลายกิเลสให้หมดไปได้พอไม่มีกิเลสแล้วใจก็จะไม่ฟุง้งใจก็จะสงบจะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ถ้ามีปัญญาคอยคุมกิเลสไว้พอกิเลสโผล่ขึ้นมาปัญญาก็ตัดมันได้ถ้าปัญญาตัดไม่ได้มันก็จะฟุง้งมันก็จะวุ่นวายขึ้นมา มันก็จะทุกขึ้นมานี่ยคพอถึงขั้นสมาธิแล้มันก็จะเป็นอย่างนี้ขั้นสมาธิก็ฝึกให้มันชํานาญพอชํานาญแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาได้คิดทางปัญญาพอมันคิดแล้วมันฟุ้งก็หยุดมันกลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับไปหยุดความฟุ้งพอให้ฟุ้งแล้วก็ออกมาพิจารณาใหม่ พิจนาจนกว่าจะปล่อยวางได้ตรงได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางความตายได้ปล่อยวางการอารมณ์ได้ปล่อยวางอัตตาตัวตนได้ถ้าปล่อยได้ทุกอย่างแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราทุกข์อีกต่อไปเมื่อไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรให้ทําให้เราทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วงานหมดแล้วเหมือน ยาที่เรากินไว้สําหรับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บพอโรคหายแล้วเราก็หยุดกินยาได้สมาธิปัญญานี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจรักษาความเครียดรักษาความทุก์รักษาความวุ่นวายใจพอามรัใจไม่มีความเครียดไม่มีความวุ่นวายใจใจสบายตลอดเวลาก็ไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้ปัญญา โอกาสครับปัญญาที่ที่พูดถึงขณะที่จิตสงบแล้วเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากเราอ่านเราฟังมาใชรปัญญามันมีสามอย่างที่คุณพูดเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาที่เกิดจากความคิดไตรตรองแล้วปัญญาที่เกิดจากการดับความทุกข์ เราต้องการปัญญาตัวที่สามนี้ปัญญาที่มาดับความทุกข์ใจได้ครับเช่นเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งถ้าใจเราทุกข์เราก็ต้องเอาปัญญานี้มาดับมันครับถ้าดับมันได้ก็เป็นปัญญาถ้าดับไม่ได้ก็ยังไม่เป็นปัญญาคือเป็นปัญญาแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ปัญญาที่เราฟังนี้เราก็เป็นปัญญา อาจารย์พูดจะสอนว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็เอาปัญญานี้มาดับมันถ้าดับได้มันก็เป็นปัญญาแท้ถ้ายังดับไม่ได้ก็ยังเป็นปัญญาที่ไม่ไม่แท้เช่นทุกคนรู้ว่าต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอความเจ็บความตายทาไมทุ ก, กันก็เพราะว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ ถ้าเป็ น, ญญนปนัญญาที่ดับความทุกข์ได้มันก็จะไม่ทุกข์นะครับจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ก็ต้องเฉยเป็นใช่ใจต้องเฉยเป็นก่อนจะเฉยได้ก็ต้องมีสมาธิถึงจะเฉยได้ถ้าใจจะเฉยเป็นพอเจอความทุกพอพอใจจะทุกข์ใจก็ดึงกลับเข้าไปให้มันเฉยเสียเพราะว่า ถ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยอมรับความจริงก็ทุกข์ไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมรับความตายก็จะทุกข์ถ้ายอมรับมันก็จะไม่ทุกข์นะงั้นปัญญาอันแรกที่ได้ยินได้ฟังนี่ปัญญาที่เราไข้ควรนี้เป็นเหมือนกับความรู้ที่เราได้ขั้นต้นได้จากห้องเรียนเราไปเรียนจากครูจากอาจารย์ในห้องเรียนแล้วเราก็เอามาทำการบ้าน อันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองปัญญาที่เรามาเตรียมตัวทำข้อสอบแล้วเราเรอทำเอาปัญญาเอาปัญญาตัวที่สามก็คือทำข้อสอบถ้าเราเข้าห้องสอบแล้วเราสอบผ่านก็แสดงว่าเรามีปัญญาข้อห้องสอบของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาคจากกัน เวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เราสอบตกหรือสอบไม่ตกก็ดูที่ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้ายัางทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายัางสอบตกยังสอบไม่ผ่านถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าผ่านเวลาเงินหายไปก็ไม่ทุกข์เฉยๆคิดว่าเป็นการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดามีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาแฟนทิ้งเราก็ไม่ไม่เสียใจเป็นการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา พ่อแม่พี่น้องตายจากกันไปก็ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นปัญญาแต่พอถ้าไม่ถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาแต่ปัญญาสองตัวแรกนี้เป็นปัญญาที่ต้องต้องมีก่อนที่จะไปสืบตัวที่สามได้ไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรการที่เราไปฟังเราจะได้รู้ว่า ความจริงเป็นยังไงความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงข้อที่สองให้เราไปคิดอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้เราลืมทำการบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วข้อที่สีข้อที่สามพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะร้ว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าตื่นเต้นหน้าตกใจถ้าเห็นว่าเป็นธรรมดาแล้วเฉยได้ก็ ก, ก็ผ่านก็สอบผ่านอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญา ปัญญาที่เราต้องการคือตัวนี้ตัวที่สามนี่ตัวนี้ทำให้เราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆการที่เราจะรู้ไม่รู้ว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็ต้องก็ต้องไปทดสอบดูเช่นั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูเสล้วปล่อยให้มันเจ็บได้ไหมไม่ต้องไปลุกไม่ต้องไปขยับมันถ้าปล่อยได้มันก็จะมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย ออไปร่างกายจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บร้ายแรงขนาดไหนมันก็เฉยๆหรถ้าอยากจะรู้ว่ายังรักตัวกลัวตายอยู่หรือเปล่าก็ไปหาเหตุการณ์ที่มันท้าเป็นท้าตายอยู่ไปที่ไหนที่เราหน้ากลัวที่เรากลัวไปที่นั่นดูดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ายังกลัวก็ยังแสดงว่ายังไม่ยอมตายถ้ายอมตายแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ไม่กลัว ปัญญาที่เราอบรมบ่มคือสอนใจมาต่อเวลานเนี่ยเป็นการาบ้านเป็นการทําการบ้านใช่สุดท้ายแล้ ว, ลวเมื่อมันเกิดภาวะจริงๆเข้ามาแล้วเนี่ยปัญญาที่เราอบรมบ่มแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็สอนใจเราจริงๆใช่ไหมครับก็ไม่รู้สอนไม่สอนคุณก็ลองดูดิถ้ามันเกิดนดด ก, ก็ดีนะครับบางทีมันสติแตกมันถอยก็มันลืมไปมันก็อุต <c oughs> ส่าห์เรียนมาถ้าเป็นแทบตายพอถึงเวลาจำไม่ได้เลย คือผมเป็นคนอ่านไม่ไมค่อยชอบอ่านหนังสือย่าวอันนี้ชอบชอบฟังเนีแล้วก็เอาปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหรอกว่าปัญญานี้มีประโยชน์อะไรก็คือฟังแล้วก็คิดยานายอมรับความเป็นจริงถ้าสี่ขาดห้าเนี่ยอของใจของกายเนี่ยเสร็จแล้วมันมีถึงจุดหนึ่งภาวะที่ที่ปรุงแต่งแล้วมันไม่สามารถละตรงนั้นได้ขาด โลภกดหลงมันเกิดขึ้นมามท่วมท้นมาอมสุดแล้วสุดท้ายแล้วอยู่ดีๆจิตมันก็ลวมขึ้นมาแล้วมันก็ปัญญามันก็เกิดขึ้นแล้วปัญญามันก็บอกว่าอันนี้คืออะไรแล้วมันก็ขาดลงกับตาเลยครับ ม, มันก็เบาแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับใจที่ใจที่หนักมาตลอดเวลาออันนี้คือปัญญาที่เราอบรมบ่นมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมครัที่ได้อบรมบ่น การบ้านนะครับว่าคนจะทํายังไงต่อก็ยังไม่รู้ว่าที่ที่มันทําได้นี่มันเป็นเป็นการทางการบ้านหรือเป็นการทําข้อสอบมีมีทั้งทำการบ้านทั้งทำข้อสอบใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพลงการบ้านก็ได้ oh, ตอนนี้เพียงแต่เป็นเรื่องของความคิดว่าเออเราไม่กลัวแล้วเราไม่ทุกข์แล้วแต่เรา ย, ยังไม่ได้ไปเจอข้อสอบเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งคิดของเราคนเดียวนี่มันก็ อาจจะหลอกเราก็ได้ถ้าอยากจะรู้ว่าไม่ทุกจริงก็ต้องไปหาของจริงเลยไปนั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูจะทุกข์ไหมนั่งแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเองได้เปล่ายังกลัวความเจ็บอยู่เปล่ายังกลัวความตายอยู่เปล่าอันนี้ก็ต้องถามตัวเองถ้าหมองไม่กลัวก็ต้องไปพิสูจน์เองเพื่อจะได้มั่นใจเพราะบางทีเราก็หลอกตัวเราเองได้ ถ้าเรามั่นใจไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้อย่างบางครองฟังเทศจากพุทธเจ้าปั๊บเขาก็บอกเขาเขาหลุดพ้นแล้วเขาไม่ทุกข์แล้วพระญาณกณฑัญญาพอฟังธรรมก็ไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วร่างกายมีเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครที่จะมาให้คะแนนเราได้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่าน เราต้องเป็นคนให้คะแนนเราเองนันทิติโก้พญานะดีน้องะเขาอยู่ที่บ้านแฝดอ่ะเขาเป็นพ่อของเพื่อนของหมอหลานสาวที่สวยสวยี่เคยพาประกาศพ่อจันเาเคยมาที่นี่ะแล้วก็ถามมายโยกลงตอบไม่ได้ลงแค่ไนตอนนี้ได้คําตอบไห้ยังต้องเกิดจากการขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนขั้นที่หนึ่งก็ต้องเรียนเหมือนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนขั้นที่สองก็ไปทําการบ้าน ขั้นที่สาก็เข้าห้องสอบเ <Yeah. S 1> ขั้นที่สานี่มันจะต้องมีสมาธิเป็นตัวเป็นเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังที่จะปล่อย mm. นั่นเรียนพิจารณาแล้วแต่การพิจารณาอยู่เรื่อยๆไ ม, ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นการทําสมาธิภายในตัวได้ <Yeah. S 1> เหมือนกันคือแทนที่เราจะไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจฟุ้งซ่านให้เกิดกิเลส เราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่อย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซากซากอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำสมาธิไปในตัวด้วยแล้วมันก็จะทำให้มีกำลังที่จะปล่อยเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมามีใครที่อยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะ ท, ท, ที่ที่มาทีหลังนี่มีธุระอะไรก็ ถ้าอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้หรืออยากจะนั่งฟังต่อก็ฟังได้ตอนนี้ก็เป็นแบบหลวมๆสบายๆไม่มีรูปแบบตายตัวใครมาทีหลังใครอยากจะเอาเข้าของมาประเคนตอนนี้ก็เข้ามาได้เดี๋ยวจะได้ให้พรของทานอีกคอได้ไครับได้การใช้ปัญญาปัญญานำในการ พิยณาทำต่างๆถ้าเราสามารถใช้ปัญญาพิยนาทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วเช่นอสุภะและพิจารณาได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครับก็เป็นการทําการบ้างี้ยพอเวลาเกิดการอารมณ์ก็ดึงมาดึงอสุภะมาดับมันได้หรือเปล่าถ้าไม่มีอสุภะก็จะดับมันไม่ได้ ถ้ามีสุภาษเตรียมไว้พอเกิดการมารมเราก็ดึงมามันก็ดับมันได้ก็จะรู้ก็ต้องรู้ตอนที่มีเกิดการมารมขึ้นมาว่าเราดับการมารมได้หรือเปล่าถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่าสุภาษยังมีกําลังไม่พอก็ต้องทําให้มากขึ้นพิจารณาให้บ่อยขึ้นอาจทามาได้มาจากที่ไหนกัน กรุงเพแ่ใครมาคคุแม่หวน้าป่วยอยู่โรงพยาบาลทำให้คุณแม่คุณแม่ยืมากก็เลยห้าหอาการสมองแก็มะเร็งอารทุกคนก็เป็นเหมือนกันเป็นช้าเป็นเร็วเป็นก่อนเป็นหลังเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของร่างกาย อย่าไปทุกขไปวุ่นวายใจกับมันเลยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เวลาตายก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ของเก่ามันพังแล้วจะได้ไปเปลี่ยนเอาของดีมาไม่ต้องไปเสียดายเวลามันจะไปให้มันไปเจ้าของร่างกายไม่ได้ไปกับร่างกายใจไม่ได้ไปกับร่างกายใจก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ ทำบุญเยอะๆจะได้ร่างกายใหม่ที่ดีถ้าเข้ากระการอุทิศส่วนบุญสูงนสดให้คนเป็นได้ไหมไม่ได้หรอกต้องทํำกันเองเพราะว่าทําเองจะได้มากกว่าการอุทิศนี่ได้ร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองเราทําบุญร้อยบาทแล้วอุทิศไปนี่อุทิศได้ร้อยได้บาทเดียวแต่ถ้าเราทําเองนี่เราทำในขณะที่มีชีวิตอยู่เราได้ร้อยทั้งร้อย ยิ่คนเป็นเขาถึงไม่ต้องไม่ไม่อุทิศกันไงาให้ค <Okay. S 1> นเป็นทำกันทำกันเอง mm. ที่ต้องให้ อ, ให mm. อุทิศคนตายเพราะเขาทำไม่ได้นะเราอยู่ในที่เขาทำไม่ได้เลยต้องส่งบุญไปให้เขา mm. บุญที่ส่งไปก็ส่งได้ไม่มากได้ร้อยละหนึ่ง mm. <Okay. S 1> ก็พอให้เขาบรรเทาความเดือดร้อนได้ mm. แต่ไม่ทำให้เขาล่ำรวย mm. ถ้าอยากจะล่ำรวยต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่ เวลาตายไปจะเป็นเศรษฐีบุญจะไปเกิดเป็นเทวดาพวกที่มาเรารรับส่วนบุญนี่เป็นพวกขอทานที่เรียกว่าเปรตพอเวลามีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญกันพอถึงเวลาไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปพวกที่มีชีวิตอยู่ทาบุญก็จะมีบุญติดตัวไปก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญกันก็จะไปอยู่สวรรค์กันพวกที่ไม่ทำบุญทาบาปตายไปก็เลยต้องไปเป็นขอทาน ทําตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่คนที่ตายไปแล้วแล้วก็แบกให้ขอได้พอบรรเทาเหมือนกับให้เงินขอทาน<ม>ดีกว่าไม่ให้เนะเดี๋ยวตั้งจิตตั้งใจอุทิศนะมนะีอะไรอยากจะทํามไหมบุญนี้ต้องเป็นทําบุญนี้ต้องเป็นเงินของเราเองและต้องเป็นความคิดของเราเอง ตอนนี้คนที่เขาอยู่โรงพยาบาลเราจะมาทำให้เขาเขาก็ไม่ได้บุญอย่างดีเป็นบุญของเรานอกจากเขาสั่งมาวอกให้ช่วยเอาเงินของเรามาทำบุญให้หน่อยนะถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะได้บุญ้องไปถามเขาอยากทาบุญไหมพี่อยากทาบุญพี่พูดไม่ได้เขียนเขียนหนังสือเขียนหนังสือถามว่าถ้ายกนิ้วหนึ่งเขาว่าเอาสองนิ้วก็เลยจะได้เอาเงินของพี่ไปทำให้ เขาต้องเป็นคนสั่งเ็าต้องมีเจตนาล้วต้องเป็นเงินของเขาเป็นของของเขาเขาถึงจะได้บุญอย่างสมมตาตอนนี้เรามาทำให้เขานี่เขาไม่ได้หรอกคนที่ได้ก็คือเราเนี่แหละ <c oughs> แต่ก็เป็นความปรารถนาดีของเราแต่เรื่องของบุญมันเป็นอย่างนี้ใครกินก็ใครก็ได้ใครไม่กินก็ไม่ได้อย่าโยมมาทาบุญเท่ากับโยมมากินอาหารถ้าไม่ได้กินให้คนอื่นก็ ก, ก็ไม่ได้ทำให้เขาอิ่มเรากินให้คนอื่นแต่คนกินให้เขาอิ่มตัวเราอิ่มแต่คนที่เรากินให้เขาไม่อิ่มหรอกเพราะเขาไม่ได้กินถ้าอยากยะให้เขาอิ่มเขาก็ต้องกินเอง ني, กลับไปถ้ามีโอกาสก็ลองถามคนดูว่าอยากจะทำบุญไหมอันนี้ยังไม่สายมีเงินเท่าไหร่อยากจะเอาไปทำบุญอะไรให้เขาทำได้ตอนนี้แล้วทาแล้วก็จะได้เอาติดตัวไปได้ ส่วนเรื่องการจะหายไม่หายนี่อย่าไปอยากมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆก็ทํารักษาให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดหายก็ดีไม่หายก็ดีให้คิดอย่างนี้ถ้าเราอยากให้มันหายแล้วเราจะทุกข์นั่ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงเขาก็ยังไม่หายอยู่ดีนะนี่เราต้องอย่าไปทุกข์กับเขายนะดูแลเขาให้เต็มที่แต่อย่าไปทุกข์ ก็อยากไปอยากให้หายหายก็ดีไม่หายก็ดีว่าไง เ่อของเขาแล้วเราไปทำอะไรไม่ได้นลยทุกข์มากบอกเขาทุกขของเขาขเลยไ ด, ด, ไดยิงไปห้ามยิงยุ่ใหญ่ก็ให้เขาไปเนี่ยเขาหมดแรงเขาก็เ ข, า ก, ขาก็หยุดเองอหะทุกอย่างมันมีวันจบอ่ะปล่อยเขาระบายให้เต็มที่แนละ้ <c oughs> วเดี๋ยวพอเขารู้ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาเห็นโทษของมันเขาก็หยุดเอง ก็ช่วยไม่ได้ไม่เห็นโทษก็เรื่องของเขาก็อยากจะเอาค้อนมาทุบหัวเขาก็เรื่องของเขาใช่ไหมความโกรธนี่ก็เหมือนเอาค้อนมาทุบหัวเราใครมาทําให้เราโกรธเราโกรธของเราเองใช่ไหมเดี๋ยวเขาเห็นโทษว่าเออเรากําลังทุบหัวเราเขาก็หยุดทุบเองอเราปไปทุบไปกับเขาเพราะอยากให้เขา เ, เราก็ต้องมาแก้ทุกของเราเราก็อย่าไปอยากก็จใออ อก็ทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ต้องรฟคนเออาใช่คนละเรื่องคนละคนกันเห็นเขาทุกข์เราแล้วมาทุกข์แทนเขาอีกต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรขออนุญเรียนถามอีกครับที่อาจาร์พูดถึงปัญญาขั้นที่สามนะครับที่ว่า เราควรจะฝึกนั่งสมาธิเพื่อแบบไม่ขยับเพื่อให้เรียนรู้เวทนาครับเราจําเป็นที่จะต้องนั่งแบบสามชั่วโมง5้าชั่วโมง7ดชั่วโมงเพื่อเรียนรู้ให้จบันยาแบบนี้นะครับถึงประโยชน์ยังไงก็มันไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าใจเราปล่อยมันได้หรือเปล่าตอ น, นที่จะปล่อยเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นเหมือนดินเต้นฟ้าอากาศเราจะไปจัดการมันไม่ได้ ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเราไม่ไปจัดการมันแล้วเราปล่อยมันได้มันก็ไม่ต้องนั่งสี่ห้าชั่วโมงนั่งเพื่อให้เราปล่อยถ้าเราปล่อยแล้วเราจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ตรงนี้เราปล่อยมันได้หรือเปล่าเวลามันเกิดขึ้นเรายังอยากไปให้มันหายหรือเปล่าเรายังกลัวมันอยู่หรือเปล่าที่เราต้องแก้ตรงนี้คือถ้าเราไม่กลัวมันแล้วมันมาก็มาเรามองให้มันเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศ เช่นพายุจะมาเราจะทําไงได้มันมาแค่มันมาเราก็หาที่หลบไปที่หลบของใจก็คืออุเบกขาก็ทําใจเฉยๆไปถ้าเราทําใจเฉยได้มันก็จบที่มันไม่จบก็เพราะมันไม่เฉยพอเกิดความเจ็บขึ้นมาก็เริ่มมึนเริ่มยุกยักยุกยักขึ้นมาแล้วอยากจะให้มันหายแล้วเราก็อย่าให้มันยึกยักให้มันเฉยให้อยู่กับมันให้ได้ ก็แค่ตรงนั้ น, นแหะถ้าเราเฉย อ, อยู่กับมันได้แล้วมันจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าช่วงที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยช่ตอนเรายังมีสมาธิที่ดีมีสติธรรมชาติดีเราก็ยังโอเคกับมันแต่พอเราอยู่ที่ประจําวันเนี่ยมันคน เ, เรื่องเลยใ น, ะนาการเป็นขาดการควบคุมหรือว่าเราเราตอบรับไม่มีสตินเหมือนไงจะให้มันมาร้านเองไงก็ต้องพยายามรักษามันไปๆยังไงครับเพราะว่าอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติกับ ใช้ชิตปกติคนละที่มัน้องเนี่ยก็อยู่วัดสอบไปเลยอย่าให้ทำเลยก็ออกไปเข้าไปหากองไฟมันก็อย่างนั้นลงไปสนามฟุตบอลจะไปเหมือนกันนั่งดูได้ไงตอนที่อยู่วัดก็เหมือนนั่งดูมันแต่พอเราไปเตะมันก็เหมือนกับอยู่ในสนามฟุตบอลนะพอเราไปในสนามก็ต้องวิ่งกับเขาสิใช่ไหมถ้ามันอยากจะวิ่งกับเขาอยากจะเป็นคนดูก็นั่งดูกันสิ ไอยู่วัดไปทมาซ้อมก่อนอไม่ซ้อมอะอยู่เป็นคนดูไปตลอดเลย <c oughs> มันดูมันสบายกว่าเล่นอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คนเล่นเหนื่อยไหมอ่ <c oughs> คนดูสบายเพีงแต <c oughs> ่เชียรอก็พอละการมาอยู่วัดนี่มาฝึกให้เราอยู่เฉยๆดูเฉยๆ <c oughs> อ, อย่าไปวุ่นวายกับเขา <c oughs> แตถา่ถ้าลงไปนี่ถ้าออกไปนี่แสดงว่าเรายัง ลงไปลุยเขาต่อยังอยากจะลุยเขาอยู่ตอนเวลาลุยมันจะมาสงบได้ไงใช่ไหมมันสงบไม่ได้หรอกแลทวทไงให้มันสามารถที่เอามา Apply ในชีวิตจริงได้แบบก็พยายามประคับประคองก็ประคับประคองปัญญาที่เราได้จากการปฏิบัตินี้ไปใช้ในเหตุการณ์อยู่ที่ว่าจะใช้ได้บ้างใช้ได้น้อยก็พยายามใช้มันปล่อยวางอยู่เรือยเออยังไงก็ได้ ทำเราก็ทําไปตามกําลังของเราได้มากได้น้อยก็โอเคอย่าเอาเป็นเอาตายกับมันอย่างนี้มันก็จะมันก็จะพอที่จะไม่วุ่นวายได้แต่ถ้าจะต้องเอาเอาเป็นเอาตายของฉันถูกของเธอผิดเนี่เดี๋ยวมันก็มันก็วุ่นวายขึ้นมาเพที่มีคนแนะนําว่าให้รู้ตึกใบๆเบาๆก็ได้อะไรก็ได้ให้น้องให้รู้ไกลไอ้คนนี้มันจะ ก็คือให้เราอย่าไปอยู่กับความคิดให้เราอยู่กับความรู้ให้รู้เฉยๆให้ฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้สักตัวัลรู้อย่าไปคิดนู้นคิดนี่ปรุงนั่นปรงนี่แต่มันพอมันไปเจอเหตุการณ์มก็ปุงละมันจะไม่รู้เฉยๆแล้วอันนก็ต้องอาศัยการมาฝึกถ้าฝึกบ่อยๆฝึกมากๆมันก็จะเฉยได้มากและเวลาออกไปมันก็จะ เฉยได้อาจจะเฉยได้ถึงขีดหนึ่งพอหมดกำลังมันไม่เฉยเราก็ต้องกลับมาวัดนนะ <Yeah. S 1> กลับมาเติมความเฉยใหม่ <Yeah. S 1> กลับไปเข้าเข้าเข้ า, ขาออกไป <Yeah. S 1> กไปนกว่าเราจะเห็นปัญญาว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าบวช ด, ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ยั ง, งโง่อยัง <c oughs> <c oughs> ยังคิดว่าฉลาดอยู่ <Yeah. S 1> <c oughs> ยังคิดว่า ทางโลกดีกว่าทางธรรมอยู่ ย, ยังเป็นภาระเอครับ ย, ย, ยังปล่อยภาระไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องใช้ปัญญาว่าต่อไปก็ต้องจากกันภ <c oughs> าระต่างๆที่เราไม่อยู่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุด <c oughs> ยังก็ให้มันสิ้นสุดแค่วันนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ลองปฏิบัติไปอ่านหนังสือธรรมะไปอ่านกันนะจ mm hmm. ะยหยิบได้นะหนังสือธรรมะดีัีนคนไหนเสื้อเหลืองมาจากเชียงใหม่นะหรือจากอุดรที่ช่วยหลวงุรีสร้างจดีอ๋อท่านนี้ก็มาช่วยมาักหลายคน อนุโมทนานะอก็เรียกว่าเป็นการทําบุญแล้วทําบุญเพราะเราไม่ได้เรียกค่าตอบแทนอะไรค่าตอบแทนทั้งหมดเราเขาถือว่าเบอร์จากให้กับโครงการไปก็ดีมาใส่ได้ในสมาร์ตสะพานบุญกับท่านได้ทําด้ใชสติปัญญาที่ทำเย็นมาถวายกับแม่คู่บริจาคก็เพื่อสิทิแลวครับดีสาธุนะก็ บุญนี้ก็ขอให้ชีวิตมีความน่มเงย็นเป็นสุขมีความจาเจริญก้าวหน้านะในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องทุกประการนะจริงๆก็ลงทีมเป็นทีมงาคน ท, ทั้งหมดเลยรู้สึกสบายใจอี่นี่อีกอดีต้องช่วยกันช่วยกันแล้วจะมีพลัง<ช>คนเดียวทำ ท, ำทำทุกอย่างไม่ได้ต้องเพึ่งพาสายกัน พอสาคัญก็ต้องสามัคคีกันไม่ใช่มาตีกันนะต้องต้องยอมกันนั่งยอมได้เหตุด้วยผลอย่าเอาทิฏฐิเอาความคิดเห็นของเราเป็นหลักบันที่อาจจะมันมันมันดีมันถูกแต่มันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องปรับให้มันเข้ากันได้เพราะการทำงานมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเราทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกัน เอาผลประโยชน์เป็นหลักก็แล้วกันอันไหนเป็นประโยชน์สูงที่ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็เอาทางนั้นก็แล้วกันเราอยากจะถามอะไรอย่างไรก็มือใหม่ค่ะแับอยู่เรื่อยๆค่อยู่ตลอดไม่ไปไหนที่นี่คือพอเวลานั่งเล้าเออคิดตลอดนะะ มันก็คิดคิดคิ ด, คดบนบนเขารู้ทีหนึ่งก็กลับมาทีหน่งรู้ที่นึ่งก็กลับมาทีนี้ค่ะเราทําำไงถ้าี่นั่งไปเรือ่อยๆแล้วก็พยายามหยุดเราต้องหยุดความคิดก่อนมานั่งต้องฝิดหยุดก่อนฝึกสติไปก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าจะอยู่กับกายานุสติกับการกระทําของร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้มันอยู่กับ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังล้างหน้าแปลงฟันหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นามันจะไปคิดก็ดึงกลับมาว่าตอนนี้กำลังแปลงฟันอยู่ให้อยู่กับการแปลงฟันกาลังหวีผมเมื่อให้อยู่กับการหวีผมกำลังใส่เสื้อผ้ากำลังรับประทานอาหารกำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้มันอยู่กับงานที่เราทำอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดึงมันมาไว้เรื่อยๆมอะไรผูกใจไว้เลยจะใช้พุทธโธผูกก็ได้ก็ให้อยู่กับพุทธโธไปเต้นขึ้นมากับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุทธโธนี่คือเราสมมติว่าคือปัจจุบันนี้ตอนเช้าก็ตื่นปุก็จะทํำมาเช้าเลยแล้วก็นั่งสมาธิแต่พอนั่งสมาธิก็ฟังที่อาจารย์สอนว่าให้พุทธโธแต่เวลาตัวเองทําพุทธโธคือ เข้าพูดออกโทรเข้าพูดออกโทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องลมเลยให้อยู่กับพูดโธรคาเดียวคือจะหายใจเข้าหรือออกไม่ทํางไปสนใจให้อยู่กับพูดโธรเมื่อสวดวนนี้มันก็บสวดมนนี้ท่องไปเรื่อยๆพูดโทรพูดโธรไปไม่ต้องไปรับรู้เรื่องลมลมไม่เกี่ยวตอนนี้เราไม่ได้ดูลมเราดูเรากำลังทํางานอยู่เราจะไปดูลมทําไมเราก็ดูงานที่เราทําหรือถ้ามันทําแล้วมันยังไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ใช้พูดโธรเดินกลับมา ไม่ให้ไปคิดให้มันกลับมาที่งานที่เรากําลังทําอยู่ก็คือให้มันหยุดคิดพอเราพอเรานั่งปุ๊บล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธมันเหมือนทาบริกรรมอย่างหนึง่งใช่ไหมอ่าไปเรืออพอจิตมันคิดก็ต้องกลับมาพุทโธพอมันคิดแสดงว่าไม่ได้พุทโธแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ใจเราไม่ได้อยู่พุทโธ เ, <อ>เราก็ต้องกลับมาพุทโธเพราะมันคิดอีกเก็กลับมาพุทโธไปเรื่อยนั่นแหละแล้วไม่ต้องไปดูลมเอาพุทโธคําเดียว ถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทธโธดูลมอย่างเดียวลมไม่เวิร์กต้องก็พูดโธอย่างเดียวเอาพุดโธคําเดียวง่ายๆอย่าไปพูดเข้าโธออกมันยุ่งยากเพราลมมันดูยากอยู่แล้วแล้วยังต้องมีมาพุทโธอีกมันจะนั่งแล้วมันจะมามาวุ่นวายกับพุทเข้าโธออกนี่เอาพุทโธคําเดียวง่ายๆท่องพุดโธไปเรื่อย little. ถ้าเบื่อพุทโธจะให้มันยาวหน่อยก็ได้พุทธังสระนังกระฉามิทำมังสระนังกระฉามิไปแต่บางทีมันแคบไปมันอึดอัดบางทีคนอยู่กับพุทโธคำเดียวมันรู้สึกอึดอัดก็สวดมนต์ไปก่อนกันน่สวดในขณะนั่งเนี่ยหลับตาก็สวดไปภายในใจแทนที่จะปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดอิติปิโสหลังส้ำมาไปพอรู้สึกเหนื่อยอยากจะหยุดก็พุทโธพุทโธไปหรือนู้เฉยเฉยก็ได้ ตอนนั้นอาจจะดูลมก็ได้พราะจิตมันเริ่มสงบแล้วมันจะนร่นดูลมได้ก็ดูลมไปคือเราพุทโธแล้วเราคิดพุทโธแล้วเราคิดนี่แปลว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนฝึกใหม่ใช่ไหมมันไม่ได้ผิดว่าทําไมเราถึงไม่พุทโธใช่เหมือนเด็กที่ยังเดินไม่เป็นเนี่ยล้มลุกคลุกคานไปก่อน่เด็กมันไม่เค้ลุกขึ้นมาเดินได้ที่ไหนมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มแล้วก็คลุกคานไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ พุทโธได้สองคามันก็ปาดละคิดถึงเรื่องนี้ก็พอรู้ตัวคิดก็กลับมาทีนี้มันจะรู้นานรู้ช้าบางที10นาทีไาแล้วถึงจะมรู้ว่ากูไม่ได้อยู่กับพุทโธเลยเนี่ยก็ยังดีก็ดึงกลับมาใหม่ยังกลับมาใหม่แต่มันอยมาทําแต่เฉพาะเวลานั่งให้ทําทั้งวันเลยทํำตั้งแต่ตื่นเลยที่จะทําอย่างนี้ได้มันต้องไม่มีงานอย่างอื่นมาทําถ้าไปทํางานเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็พุทโธไม่ได้มันก็ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการไปเนีย คนที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญสติจเจริญสมาธิต้องต้องไม่ทํางานถ้ามีงานหนก็ทําไม่ได้เออแกยังไม่ทำงานอย่าไปหวังผลจากการปฏิบัติถ้ายังยั ง, ย, งยังทำงานอยูอ่ก็ยังถือว่าเป็นเหมือนมือสมัครเล่นน ะ, อ, ะอย่าไปแข่งเหรียญทองมันไม่ได้ไปชิงเหรียญทองมไม่ได้หรอกพวกที่เขชิงเหรียญทองนี่เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาไม่ทําอย่างหอื่น อาจารย์นะอาจารย์ครับอย่างเวลาเราอยากกินอะไรเรารู้ตัวว่าเราอยา ก, กรู้แบบรู้ก็นั่งดูความอยากไปประมาณนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสุด<ม>ท้ายแพ้มันก็ไม่หายอยา่ะ <laughs> เพราะไม่รู้จักวิธีแก้ความอยากง่ายจะตายไปแก้ความอยากิ <laughs> นไม่คิดถึงเวลาสิ่งที่เราอยากกินนะมันอยู่ในปากเรามันเป็นยังไงมันอยู่ในท้องเราเป็นยังไง เวลากินออกมาแล้วยังอยากจะกินเข้าไปอเป่ามันต้องกินแล้วขายมาถึงจะได้จะได้ถ้ากินเราก็รู้สึกไม่ต้องก็เวลาถ่ายออกมามันก็อาหารที่เรากินไม่ใช่ก็ดูหน้าตามันมั่งเสริจเวลาที่เฉยๆไม่รู้สึกเลยเอ้อเฉยๆจริงๆเนะไม่แต่ให้ไปกินใหม่ไม่กินนะแต่หมายว่ามองดูปะแต่ว่ามุกแพทุกทีแบบสองชั่วโมงอก็ไม่ดูของจริงไม่ไม่ยอมดูอาหารเก่าชอบดูอาหารใหม่ชอบดูอาหารที่อยู่ในจานะ อาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในซ่วไมไม่ยอมดูดูภาพอาหารเก่าซิอย่าไปดูอาหารใหม่ถ้าเห็นภาพอาหารเก่าแล้วเดี๋ยวมันกินไม่ลงมันไม่อยากจะกินแต่ก็ต้องระวังนะบางคนดูมากๆจนกระทั่ถงถึงเวลากินกินไม่ลงจริงๆน่าจะไม่มีอารมณ์แล้วาาเียวิธีแก้เนี่ยก็เรียกอาหารเลยปฏิกูลลสัญญาอาหารเลยแปลว่าอาหารปฏิกูล ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารสัญญาก็คือความจำให้จำให้ได้จำถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานอาหารที่อยู่ในปากที่ผสมกับน้ำลายที่กำลังเนี่ยวลนนั้นลกลังกินอาหารอรุณอร่อยลองนึกถึงอยากจะดูหน้าตามันเป็นยังไงขอคายออกมาดูหน่อยคายเสร็จแล้วก็ปากเข้าไปกินใหม่มันก็อาจจะไม่อยากกินละ อาหารอร่อยขนาดไหนก็ไม่อยากจะกินแล้วถ้าเห็นหน้าตามันเพือที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขายอาหารด้ว ย, ยต้องชิมต้องกินต้องหลับได้แก้ได้แต่เราอยากจะถ้าจะแก้ก็ต้องกินยาที่เป็นยาขมที่เราไม่อยากจะกิน <c oughs> ใช่ไหมยาธรรมะนี่ต้องบังคับมัน ถ, ถึงจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่บังคับ ม, ม, ม, ม, มันไม่เกิด ต้องบังคับพิจารณาคิดถึงอาเจียนม้างคิดถึงอาจมบ้างคิดถึงอุจาระม้างอันนี้ก็เป็นอาหารเรืงนั้นใช่ไหมมันมาจากไหนออะก็ของที่เรากินเข้าไปนั้นนันก็ออกมาก็ดูหน้าตามันไว้จำมันไว้ยเี้ทุกครั้งที่กินแล้วเวลามันกินแล้วมันกลายเป็นอะไรมันก็จะทําให้ความอยากกินน้อยลงไปจนในที่สุดก็กิกนแบบกินยาได้ เมื่อถึงเวลาก็กินไม่ยังไม่ถึงเวลาก็เฉยเฉยกินอาหารนี่ฮะเขาให้กินแบบกินยาแต่กินแบบกินยานีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ได้ทำให้ติดแ้วถ้ากินแบบไม่ได้กินยากินแบบกินขนมนี่มันติดมันอยากจะกินอยู่เรื่อยๆกินจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มนะถ้าเราหิวหิวลบให้กินอได้ ก็ต้องมีมีเวลามีต้องมีเวลามีเหตุมีผลถ้าติณสายคือต้องก่อนเที่ยงถ้าใช้วิธีว่ากินมือมือขี่มือไหนกินมือนั้นอนีไม่ได้ก็มันก็มือเดียวมือไหนก็ได้นะมันคนเยอเรากินเมือเดียวมเห็นอยนก็ได้จะกินมือเย็นก็ได้แต่ให้กินมื้อเดียวเต็มที่เลยมือเดียวนี่หมเต็มที่เลยกินเท่าไรเท่าไรกินเข้าไปใช่เป็นแต่วากินมือเย็นมันไม่ดีตรงที่กินมันจะ่วงมันจะนอน มันจะไม่ได้ภาวนาแล้วช่วงกลางวันมันก็จะหิวทรมานสู้กินตอนเช้าแบบพระเด็กอะกินเสร็จแล้วมันก็จะไม่หิวทั้งวันมันก็จะทํางานทําการได้แล้วอตอนเย็นจะนั่งสมาธิก็ไม่ง่วงสมาธิจนถึงเวลานอนได้ถ้าไปกินตอนเย็นมันพอกินเสร็จมันก็ง่วงละไม่อยากจะทําอะไรนั่งสมาธิก็ไม่ได้แล้วก็ตอนกลางวันที่ไม่ได้กินก็หิวไปทั้งวันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทําอะไร ถ้าจะกินเมื่อเดียวเนี่ยต้องกินแบบพระกินตอนเช้ากินเมื่อเดียวกินให้เต็มที่เลยกินเสร็มันอย่างมากมันก็ง่วงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายง่วงแล้วกินตอนสายเลยนะแบบตั้งสมันตันนั้นตรงไหนนะกุ้มน้ำเช้าเกินแล้วมันจะนานควรจะนอนใช่ไหมอ๋อไม่หรอกมันมันเป็นไซเคิลเหมือนกันอ่ะมันพอเรากินต้นๆมันมันอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ต่อไปมันก็จะมันก็จะทุกยีิบสี่ชั่วโมงก็กินครั้งหนึ่งมันก็ไม่ต่างกันหรอกกิน เป็นช่วงไหนแต่ที่มันกินช่วงเช้ามันดีมันจะได้จัดการให้มันเสร็จเรียบร้อยไปไม่ต้องมาวุ่นไวายไปไม่ต้องมานั่งรองกินเวลานั้นเวลานี้อี่แต่ก็มากินเลยกินได้หมดอิ่ไปเลยเสร็จแล้วจะได้ไปทํางานทําการไปทําอะไรได้อย่างสะดวกไม่ต้องมากงงังวลกับเรื่องการกินแล้วเอกินให้มันก็เกินสองมื้อนีออ่มันง่ายดีตอนเย็นตอนพอหลังจากยิ่งไม่ต้องทำอะไรยิงย่งมื้อเดียวยิ่งง่ายใหญ่หูเดียวก็ ก็กินสองมวมรวมกันทีเดียวไงพร้อมกันไงจะหดตัวไหนมันไม่ไหวท้องมันไหวมันต่อไปมัก็ใครมันก็มันชินของมันเองมายมันอาจจะไม่ชินกว่าจะชินมันกูจะนานไม่นานหรอกเคยลงแล้วคือคนที่เขามาบวชให้เขาทากันได้ทุกคนพอเขาเข้าวัดปั๊บเาก็กินไม่เดียวไม่ดวอ่อกินเรื่องใหญ่อยู่ที่ตัวเราต่างหากว่าเราจะยอมหรือไม่ยอม เราไม่ยอมแลว่อยๆฝึกสองกอแล้วคยหนึ่งจะได้แบบค่อยเป็นค่อยไปน่าจะกเวลามันจะไม่พอเลยกลไม่เป็นแคไหนแค่นั้นไงโอเคทีนี้สันโดดที่ธรรมะน่ะสันโดดแต่เรื่องอื่นไม่สันโดดกําลองพิจารณาเรื่องปฏิกูลของอาหารอยู่เลย ก่เวลาถ่ายพจารณาก่อนจะการจะราดก็นั่งเพ่งดูสักพักหนึ่งแเราพิจารณาเนี่ยไข่เจียวไข่ดาวขนมอะไรนีออมมันอยู่ตรงนี้เองหรอไม่แต่พิจาว่าไนี่มันเคยอยู่ในร่างกายเรามืก่อนคือมันเคยอยู่ในตัวเราแต่ทํำไมพอออกมาแล้วมันถึงคนถึงนั่งเกลียทั้งที่มันก็อยู่ในตัวเวลาก่อนกินพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอาหารก่อนไงก่อนจะกินให้ดูอาหารก่อนนึกถึงอาหารเก่า มาเทียบอาหารใหม่วางข้างๆจานกันเลยเทียบภาพพอไม่ไดก็นั่นหละภาพแหละไม่ได้วอาจริงเลยไม่ได้สาดิตขนาดนั้นหรอกเพราะมันมันจ่ายถ่ายรูปไปก็ได้เดี๋ยวนี้มีกล้องเยอะยถ่ายไอ้เซลฟี่อย่างอื่นเซลฟี่ได้นี่เซลฟี่ไง คนก็จะหา เ, เหอ่วิปปลิไหอ่าก็ต้องวิปปลิดนะมันถึงจะหลุดเองดูอยากจะหลุดต้องวิปปลิดหลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านไม่วิปปลิดแล้วอดข้าวตังสี่สิบเก้าวันเนี่ยใช่ไหมท่านอยากจะหลุดเนี่ยท่านถึงทำของที่มันเป็นวิปปลิดสําหรับในสายตาของพวกคนที่ไม่วิปปลิดเนี่ยองต้องต้องเอาโหดโหดมันถึงจะมันถึงจะสู้กันได้ ถ้าเอาเบาๆนี่มันก็มันก็กิเลสไม่กลัวต้องตบหัวปันรแรงๆดังทีมงานมีอะไรไหมเดี๋ยวจะฟังไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวจะมีมีมีคำถามทาง Facebook เข้ามาตอนนี้ยังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ถ่ายทอดสดสามช่อง Facebook, YouTube แล้วก็มี รัลบรับดัมม่เรดิโอฟังได้สามทางแ้าม่มีมือถือตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ตอนนี้มีผู้ชมทางบ้านกำลังรอจะถามคำถามอยู่ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่นะเหนือสามร้อยสิบห้าค่ะออสามสนะร้อยสิบห YouTube เท่ <48 S 2> าไหร่ y o ท t u สี่สิบเจ็ดเจ็ดอ่านะมีคำถามเมื่อกี้ขึ้นไปถึงห้าสิบสามมีคำถามไัง คำถามเลยคําถามจากคุณพาราช่วงนี้ยมไม่ค่อยสบายเลยเว้นการนั่งสมาธิไปอยากขออุบายพระอาจารย์ในการภราวนาในช่วงไม่สบายนี้เราควรพิจารณาอย่างไรคะก็ควรพิจารณาว่าร่างกายเป็นไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาตอนนี้กําลังอยู่ขั้นที่สองคือขั้นเจ็บต่อไปเดี๋ยวก็ต้องไปเจอขั้นที่สามก็คือขั้นตาย เราก็ต้องทําใจอย่าไปทุกข์กับมันยอมรับความจริงเพราะเราไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราฝืนความจริงเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงเจนตอนนี้ไม่สบายก็ก็ปล่อยมันไม่สบายไปมันจะหายไม่หายก็เป็นเรื่องของยาของหมอเราอย่าไปวิตกอย่าไปอยาก ถ้าหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเราต้องการรักษาใจเพราะใจเรารักษาได้แต่ร่างกายเรารักษาไม่ได้เรารักษาใจให้สงบให้ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายได้ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายแล้วไม่ไปยึดไปติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเรา ให้มองว่าร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟที่จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ยมลมไฟไปไม่ช้าก็เร็วถ้ามันจะต้องไปวันนี้ก็ให้มันไปถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปทำใจให้สงบทำใจให้สบายแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นประโยชน์เพราะว่าปกติเวลาเราไม่เจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็มักจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกัน เราก็จะไม่มีปัญญามาแก้ปัญหาตอนนี้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นข้อสอบให้เราผลิตปัญญาขึ้นมาถ้าเราผลิตปัญญาขึ้นมาเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางมันปล่อยให้มันเจ็บไปหายก็หายไม่หายก็ก็อยู่กับมันไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณรัชชาราภที่ครูบาอาจารย์สอนว่าอย่าติดดีลบก้วนพระอาจารย์ยกตัวอย่างด้วยค่ะตอนนี้นึกไม่ออกนะคือความดีให้ทำไปแต่เมื่อถ้าจากจะทำความดีแล้วไม่ได้ทำมันทุกข์ก็อย่าอย่าไปทำเช่น ทำบุญแล้วมีความสุขใจแล้วพอดีตอนนี้ไม่สบายอยากจะไปทําบุญไปทําไม่ได้แล้วทุกข์ใจตอนนี้ก็ต้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปทําไว้ถึงเวลาไปทําได้แล้วค่อยไปทําคือทําแบบไม่ติดทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําก็เรียกว่าไม่ให้ติดดีถ้าติดดีแล้วบางทีอยากจะทําแล้วไม่ได้ทํามันก็จะทุกข์ขึ้นมาพราะการทำความดีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เราสบายใจเพื่อไม่ให้เราทุกข์ใจ แต่เมื่อเราอยากจะทำความดีทำให้เราทุกข์ใจก็แสดงว่ามันมันมันไม่ถูกแล้วเราก็ต้องหยุดคำถามจาก YouTube ลูกนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการกลัวผีนั่งไปสักพักเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั่งสมาธิอยู่มันบอกตัวเองว่ามันเป็นผีเราก็ผีแต่เราก็เป็นผีมีหนังความกลัวตอนนั้นหายไปเลยค่ะต่อมา ลูกคิดว่าลูกไม่กลัวตายแต่ไม่กลัวจริงหรือเปล่าลูกนอนคิดไปเรื่อยๆจนจิตดิ่งลงไปเหมือนคนตอนที่จิตใกล้จะดับมันบอกตัวกับตัวเราเองว่าเราไม่ผ่านตอนนี้ลูกคิดถึงความตายก่อนนั่งสมาธิแต่จิตมันสั่นๆเป็นเพราะอะไรคะก็ยังกลัวความตายถ้าจิตนันไม่กลัวความตายมันจะไม่สั่นมันจะเฉยมันจะนิ่งคําถามจากคุณวีรพร การปฏิบัติที่มีเป้าหมายเพื่อปล่อยวางร่างกายนั้นหากยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายเช่นมีปัญหาสุขภาพหากนั่งสมาธินานๆหรือเดินจงกรมนานๆนนอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือเดินนานๆเพราะเกงจะกระทบต่อร่างกายกลัวว่าหากพิการไปแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้ายังคิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรักตัวกลัวตายอยู่ใช่ไหมคะ และถ้าหากจะปลึกปล่อยร่างกายต้องคิดว่าร่างกายจะเป็นอะไรช่างมันแต่จะขอเอาชนะกิเลสความกลัวนี้ด้วยการปฏิบัติตายแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกแล้วแหละคําถามจากคุณติดเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่คุยด้วยเป็นพระโสดาบันเขาว่าละสั่งโยธาสามได้แล้วเราก็ต้องเป็นโสดาบันด้วย ไม่คุยกับคนที่จบปริญญาตรีถ้าเราไม่จบปริญญาตรีเราก็ไม่รู้เขาจบหรือเปล่าอย่างไรเราต้องจบปริญญาตรีนั้สูงกว่าเราถึงจะรู้ว่าเขาจบจริ ง, รงหรือไม่จริงคำถามจากคุณการชนะขอทราบแนวทางการนำสติเพื่อกากับการผัสสะจากอายันอายันตนะทุกช่องทาง เพื่อไม่ให้จิตพุ้งตามมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรคะก็ให้ใช้พุทโธเนี่ยฝึกสติด้วยพุทโธเวลาเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปปรุงแต่งว่ามันดีหรือไม่ดีให้อยู่กับพุทโธไปพุทโธไปให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอยากเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธไปได้ยินอะไรก็พุทโธพุทโธไป เ็นใครเขาด่าเราเราก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราไปปรุงแต่งเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจขึ้นมาถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งเราไม่ไปสนใจเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะเป็นเสียงเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปรูปก็เหมือนกันเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปถ้าเรามีพุโทโธมันก็จะไม่ติดมันไม่ยึดเองงั้นพยายามฝึกพุโทโธอยู่ในทุกกิริยาบทไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินอะไรก็ให้พุโทโธพุธโทโธไป คำถามจากคุณลาวิวันถ้าเราปล่อยวางร่างกายแต่ถ้าเรายังมีบุญไม่พอเราก็ต้องไปเกิดอีกมันไม่เสียเวลาหรือคะถ้าปล่อยวางร่างกายได้มันก็กรรมมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเพราะว่ามอกรรมมาเกิดก็จะทำงานต่อไงทำบุญต่อผู้ที่ได้ได้ปล่อยวางร่างกายแล้วจ ะ, จะรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป เขาจะรู้ว่าปัญหาของเขาอยู่ที่ใจคือความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเขาก็จะมาหยุดความอยากเช่นพอปล่อยร่างกายของเราได้แล้วขั้นต่อไปก็ไปปล่อยร่างกายของคนที่เรารักเพราะเรายังมีการอารมณ์อยู่เรายังรักเขาอยู่เรายังต้องนอนกับเขาเราก็พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของเขาพิจารณาสุภาษ พอเห็นเขาเป็นซากศพเห็นอาการสาสิบสองเห็นตับตายไส้พุงการอารมณ์ก็จะหมดไปก็จะขึ้นไปขั้นนึงก็เหลือถ้าขึ้นถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละไปเกิดเป็นพรมแล้วก็ไปทําขั้นสุดท้ายต่อไปข้อที่สองการรักษาร่างกายเพื่อบําเพ็ญบุญจะบาปไหมคะ เหมือนว่าเรายังไม่อยากตายแต่ไม่ได้กลัวตายค่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องตายแล้วไปรักษามันนี้ก็ผิดถ้าถึงเวลาต้องตายก็ต้องให้มันตายมันถึงจะมันถึงจะหลุดถ้ายังไปรักษามันก็แสดงว่ายังไม่หลุดยังยึดยังติดอยู่แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่มันยังไม่ตายก็ดูแลรักษาไปเพื่อจะได้เอามาปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไป คำถามจากคุณลิซ่าเป็นคนมีราคาจริตในแง่รักสวยรักงามพยายามมาสักพักที่จะพิจารณาอาการ32เพื่อที่จะละวางได้บ้างตอนนี้เวลาเจอของถูกใจละได้บ้างแต่ถ้าอยากได้มากมักให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าไม่เป็นไรซื้อได้ไม่เบียดเบียนใครขอพระอาจารย์เมตตาชีในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อจะลดละได้มากกว่านี้ค่ะ ใช่มันไม่เบียด ม, มันไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่มันมาเบียดเบียนตัวเราสิเพราะความอยากมันจะกดดันให้เราไปหาเงินหาทองมาซื้อของตามความอยากต่างๆเราซื้อได้มาแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่จะซื้ออีกมันก็จะเบียดเบียนเราไปเรื่อยๆทําให้เราต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเลยไม่มีเวลาที่จะมาะปฏิบัติธรรมกันเพงั้นทางที่ดีเวลาอยากได้อะไรเอาเงินที่เราจะซื้อนั่นมาทําบุญดีกว่า พอเราเอาเงินไปทำบุญความอยากจะซื้อของนั่นมันก็จะเบาลงไปแล้วความสุขเราได้จากการทำบุญก <c oughs> ็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรวิธีแก้ก็คือทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็เอาเงินที่เราจะซื้อของที่เราอยากได้นั้นเอาไปทำบุญหรือซื้อของที่เราอยากได้แล้วเอาไปให้คนอื่นเป็นของขวัญให้คนอื่นไปเราชอบกระเป๋าใบนี้ก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้เพื่อนชอบรองเท้าคู่นี้ซื้อแล้วก็เอาไปให้เพื่อน การทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่อยากจะซื้อคําถามจากคุณเบิร์หากเราจะไปบวชไม่ศึกเพื่อศึกษาธรรมโดยไม่ได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่เราจะบาบที่ไม่ได้ดูแลท่านหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่บาปหรอกนอกจากว่าถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลเพราะมันเป็น ความรับผิดชอบของเราเป็นหน้าที่ของเราการไปบวชก็ไม่ได้บาปแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการไปบวชอยู่ดีเพราะมืไปบวชแล้วก็จะเกิดความห่วงใย mm hmm. เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาจะทำให้ไม่มีสติพอที่จะปฏิบัติทำได้ดัน mm ั hmm. ้นก่อนที่เราจะไปบวชนี่เราจะต้องตัดภาร่าต่างให้หมดไปจัดการกับภาระาต่างให้มันเรียบร้อยถ้าพ่อแม่ ต้องเราต้องดูแลท่านเราก็หาคนอื่นมาดูแลแทนทําอะไรให้มันไม่มีความกังวลอยู่ในใจแล้วถึงค่อยไปถ้ามีอะไรตกค้างกังวลอยู่ภายในใจไปแล้วมันจะไปไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกับมาคำถามจากคุณสิทธิศักดิ์การทําสมาธิทําไมถึงได้บุญครับทั้งทั้ง ท, งที่นั่งอยู่เฉยเฉยคำว่าบุญก็คือ ความสบายใจความสุขใจอย่าความสุขใจจากการนั่งสมาธินี้มันมากกว่าความสุขใจจากการทําบุญทําทานทาบุญทําทานใส่บาตรนี้ได้ความสุขใจนี่น้อยกว่าความสุขใจที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบคํถาถามจากคุณกูล์ปัญญาอบรมสมาธิกับ สมาธิอบรมปัญญามีหลักในการทําอย่างไรและแตกต่างกันไหมคะคือปกติเนี่ยการที่จะมี ม, มีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องมีความสงบมีความตั้งมั่นถึงจะคิดในทางปัญญาได้คิดในทางเหตุทางผลได้ถึงจะทําใหเา้เห็นความจริงเห็นเห็นวิธีการดับความทุกข์ได้ ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาได้ดันคนที่มีสมาธินี่เวลาไปเจริญปัญญานี่จะได้ได้ประโยชน์เพราะปัญญาจะเป็นประโยชน์ปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ส่วนการที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธินี่เป็นเรื่องของคนที่คิดในทางปัญญาเป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลเป็น เช่นเวลาจะนั่งสมาธิแล้วใจกำลังวิตกกังวลกับเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องคร อ, งอบครัว <c oughs> ก็ใช้ปัญญามาพิจารณาเพื่อจะตัดปัญหาที่เราไปกังวลอยู่เช่นกังวลกับเรื่องครอบครัวก็พิจารณาว่าครอบครัวเราก็ไม่เที่ยงไม่ท่าก็เหลวก็ต้องตายกันจากกันไปตอนเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนั้นก็ปงเสียว่า ยังไงก็ต้องจากกันต้องตายกันไปตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้เขาจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราปล่อยได้ใจก็จะหายฟุ้งซ่านใจก็จะกลับมานั่งสมาธิได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาบรมสมาธิขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งก็เช่นเวลาเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาร่างกายเจ็บแล้วใจเราเริ่มเริ่มปั่นป่วนย่อมไม่สงบไม่นิ่ง เราก็พิจารณาเวทนาเพื่อปล่อยวางมันว่ามันเป็น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันหายเราก็จะทุกข์เราจะเครียดถ้าเราปล่อยให้มันอยู่ไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดใจเราก็จะสงบได้อันนี้ก็เป็นปัญญาอรมสมาธิเหมือนกันหรือเวลาเราไปเจอความตายแล้วเราเครียดขึ้นมาล้วก็พิจารณาว่า ร่างกายนี้มันต้องตายเมื่อถึงเวลามันจะตายจะห้ามมันก็ไม่ได้ก็ยอมตายเส้อพอยอมตายได้มันก็หายทุกข์หายเครียดหายฟุง้งใจก็สงบ ก, ก็เป็นสมาธิได้อันนี้เรียกว่าปัญญาของสมาธิต้องมีเหตุการณ์มันถึงจะมันถึงจะใช้ได้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มันมันมันก็ใช้ไม่ได้เช่นใจเราไม่ฟุง้งไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไร ม่รใช้ปัญญาไปก็เป็นการทําการบ้านไปเท่านั้นเองเป็นการเตรียมตัวปัญญาจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเหมยาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีโรคภยัยไข้เจ็บถ้าไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บกินยาไปมันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรเช่นตอนนี้เราสบายกินยาอะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเวลาเราไม่สบายใจแล้ว เ, เวลาไม่ได้กินยามันก็ไม่หายพอเรากินยาแล้วมันหายมันก็มีความแตกต่างกัน การจะใช้ปัญญาเพื่อทําใจสงบนี่ก็ต้องใช้ตอนที่ใจไม่สงบถ้าใจสงบแล้วก็ใช้ไม่ได้จะต้องใช้ตอนที่มันไม่สงบตอนที่มันฟุง้งมันเครียดมันทุกข์กับเรื่องราวต่างๆตอนนั้นก็เอามาใช้ปัญญาเพื่อทำถ้าเราไม่สามารถใช้สติคือพุโทโธพุโทโธได้เราก็ต้องใช้ปัญญาที่คนบางคนมันใช้ไม่เป็นปัญญาเพราะมันต้องใช้คิดด้วยเหตุด้วยผล เหมืคนที่เรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้เหตุใช้ผลมันจะใช้ความจําไม่ได้ใช่ไหมแต่คนที่เรียนเรียนวิชาอื่นเส้นประวัติศาสตร์นี่มันไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลมันใช้ความจำเพราะฉะนั้นถ้าคนใช้ปัญญาไม่เป็นมันก็ไม่สามารถใช้ปัญญาอบรมสมาธิได้ถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สติก็คือพุทโธไปเวลานั่งแล้วเจ็บก็บริกรรมพุทโธพุทโธให้ถี่ไปเลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บ ดึงใจให้ออกจากความเจ็บให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพอดึงออกมาได้ใจก็จะสงบแล้วความเจ็บมันก็จะไม่มากดลบป่วนใจดังนั้นก็มีสองวิธีวิธีที่ง่ายก็คือวิธีใช้สติทำใจให้สงบแต่คนบางคนใช้สติใช้ใช้การบริกรรมไม่ไม่ถนัดเขาถนัดในการใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลอันนั้นเขาก็จะใช้ปัญญาใช้ไป แต่ถ้าเวลามันไม่มันไม่มันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่มันมันมันสงบมันเฉยเฉยก็ใช้ไม่ได้จากนั้นก็ต้องใช้การเพ่งอยู่ดีจึงจะให้มันสงบได้่นเวลานั่งสมาธิแต่ใจไม่ฟุ้งไม่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องการไม่ได้ไปกังวลกับเรื่องอะไรแต่มันก็ยังไม่สงบมันยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ตอนนั้นเราก็ต้องใช้การเพ่งแล้ว ให้เพ่งดูลมหายใจแล้วเพ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้มันมีโอกาสไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันถึงจะสงบได้คําถามจากคุณนิรมนตตอนนั่งสมาธิใจจดจ่ออยู่กับพุทโธพุทโธจนรู้สึกว่าในสมองว่างเปล่ารู้สึกว่าพื้นที่ในสมองเป็นสีดําแต่มีแสงสว่างกลมๆอยู่ตรงกลางเป็นแบบนี้คืออะไรคะเราอยู่ในสมาธิแล้วใช่ไหมคะ ยังหรอกก็กำลังเข้าไปอยู่ยังยังไม่ถึงสมาธิถ้าจะถึงสมาธิมันต้องว่างมันต้องไม่มีอะไรมันต้องวุบลงไปเหมือนตกลุมตกบ่อถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็พุโทโธต่อไปบริกรรมต่อไปคำถามจากคุณพินแคนลูกส่องกระจกแล้วพิจารณาเห็นใบหน้าดวงตารอยยิ้มแล้วจิตก็คิดว่านี่ดวงตารอยยิ้มของเราจริงหรือ เพราะอีกไม่นานเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไป อ, อวัยวะน้อยใหญ่ก็ต้องถูกเผาทิ้งไปเมื่อใจมองเห็นแบบนี้รู้สึกว่ามันโล่งๆขอเรียนถามลูกต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันปล่อยวางน่่งกายได้พร้อมที่จะให้มันจากไปได้ทุกเวลาคำถามจากคุณทิพวรรณ เวลาไปทําบ um ุญก er ับพระรูปใดรูปหนึ่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นพระในระดับไหนโสดาบันหรืออรหันคะก็มันก็ต้องอยู่ที่เราด้วยว่าเรามีเครื่องวัดหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเครื่องวัดเราก็ไม่สามารถวัดพระได้ว่าท่านเป็นพระระดับไหนถ้าเราเป็นโสดาบันเราไปคุยกับท่านเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นโสดาหรือไม่เป็นโสดาได้เพราะเราจะมีคําถามที่จะไปถามให้ท่านตอบได้ แต่ถ้าเราไม่เป็นโสดาบันเราก็จะไม่สามารถที่จะไปทดสอบว่าท่านเป็นโสดามันได้หรือเปล่ายัางการที่เราจะรู้หรือไม่รู้นี้อยู่ที่ตัวเราว่าเรามีเครื่องวัดหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเครื่องวัดเราก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้คําถามจากคุณน้องหากปัจจัยสิ่งของต่างๆเป็นเงินของเราเราซื้อเองแต่มีคนมาอนุโมทนากับเราเขาจะได้บุญไหมคะ เขาได้บุญแต่มันบุญคนละอย่างกันไม่ใช่บุญ ท, ที่เกิดจากการให้ข้าวของบุญที่เกิดจากการให้ข้าวของนี่เป็นต้องเกิดจากการให้ข้าวของเพราะอันนี้สองผลตอบแทนมันไม่เหมือนกันเนี่เพราะว่าถ้าเราทําบุญด้วยข้าวของนี่ข้าวของต่างๆที่เราทําไปมันจะเป็นของเราต่อไปในอนาคตเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีข้าวของเงินทองรออยู่แต่คนที่รว่วมอนุโมทนาบุญด้วยเวลากลับมาเกิดไม่มีข้าวของรออยู่ พราเขาไม่ได้ทำเขาเพียงแต่ว่ามีคนจะมาคอยอนุมโมทนาด้วยเวลาที่เขาทำบุญไม่มีใครก็ามาขัดความั <c oughs> มนเป็นบุญเหมือนกันแต่มันเป็นบุญคนละอย่างเข้าใจหมเวลาเห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วเราอนุมโมทนาเราก็เกิดความสุขใจเราจะได้ไม่อิจฉาริษยาเข้าใจไ ม, ไมต่อไปเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทำความดีเราก็จะได้อนุมโมทนา เราก็จะรู้สึกสบายใจแทนที่จะไปอิจฉารู้สึกไม่สบายใจาทาบุญอยู่เลยชอบเอาหน้าเอาตาอย่างนู้นอย่างนี้ว่ <c oughs> <c oughs> ากันแล้วตัวเองก็ทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรการนุพทนาเพื่อกาจัดความอิจฉาลิษยาคคุ้มจากคุณส่ะคุ้ําถ้ามปทําบ้มุญกับภรรยาภรณผูนน้ชมคค้อสังคุณผู้้้ ว, ว, วม้มค่ะคุ้มุม่ะคุ้มคุ่ม่ค ขึ้อยู่ว่าเป็นของของใครถ้าเป็นของร่วมกันเป็นสมบัติร่วมกันก็ได้ด้วยกันเป็นของต้องเป็นของของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นก็จะได้บุคคลอื่นถึงแม้จะไปร่วมทำด้วยแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีส่วนเสียงเงินทองไปเขาก็ไม่ได้เขาก็จะได้ส่วนที่ร่วมอนุมโมทนาหรือส่วนที่ได้ไปไปช่วยเหลือกันไปช่วยขนของให้เขาอย่างนี้ก็ได้บุญส่วนนั้นไปคําถามจากคุณทรงวุฒิเมื่อมีคนให้ข้าวสารแก่เรา เรานำข้าวสารนั้นไปหุงเป็นข้าวสุกแล้วนำไปตักบาตรแก่พระสงฆ์คนที่ให้ข้าวสารแก่เราในคราวแรกนั้นเขาจะได้บุญด้วยไหมครับอ๋อเขาให้เขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วแหละตอนที่เขาให้ข้าวสารกับเรานี่เขาได้บุญแล้วแล้วตอนที่เราไปทำบุญนี่เขาไม่ได้แล้วพ่าะเป็นของเราแล้วคำถามจากคุณขวัญข้อที่หนึ่ง พยายามทําให้เจ้านายพอใจหัวหน้าพอใจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแต่เขาไม่พอใจสักทีไม่รู้สึกไม่อยากเปลี่ยนงานเพราะคิดว่าการงานเปลี่ยนบ่อยๆเป็นเรื่องไม่ดีจึงอดทนแต่ทุกใจควรทาอย่างไรคะก็อย่าไปตามใจเขาเลตามใจเราข้อที่2ถ้าเรามีเงินให้พ่อแม่ไม่มากพอบางเดือนให้ ให้ไม่ได้แต่แม่อาจโกรธเราน้อยใจเราบ่นเราเราบาปไหมคะอ๋อไม่บาปแล้แม่เระบาปพราะแม่โลกแม่ควรจะยินดีตามมีตามเกิดแล้วอนุโมทนาลูกให่มากให้น้อยก็อนุโมทนาไปพ่็จะมีความสุขแต่ถ้าแม่เคยได้มากแล้วพอได้น้อยแล้วแม่ไม่พอใจนี่ก็เป็นกิเลสกัเนเลยข้อที่สามการภาวนาตอนทานข้าวแล้วเกิด พิจารณาอสุภะขึ้นมาเองเห็นเนื้อหนังแล้วเกิดอยากอาเจียนอยากหยุดทานข้าวแบบนี้ควรทำอย่างไรคะควรหยุดพิจารณาเพราะตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาเวลากินข้าวคำถามจากคุณนกยุงทองบริจาคเงินหมดแล้วทำบุญเงินหมดแล้วไปอาศัยอยู่วัดได้หรือเปล่าคะไปอยู่วัดไม่ต้องใช้เงินหรือคะได้ก<น>็ไปบวชไงไปบวช พระเนี่ยเวลาเข้ามาบวชเขาก็ไม่มีเงินทองติดตัวมาแม่ชีก็ได้ต้องต้องไปอยู่วัดที่มีแม่ชีก็จะดูแลกันได้คําถามจากคุณขวัญตอนฝึกภาวนาเพียงอย่างเดียวหนูฝึกปฏิบัติพบผู้รู้แล้วฝึกต่อเป็นเมื่อรู้แล้วละทุกอารมณ์ที่รู้ฝึกแบบนี้ตลอดวันจนวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วว่างหาผู้รู้ไม่เจอ หรือรู้ว่าไม่เจอผู้รู้แล้วตกใจต้องหายใจลึกๆสวดมนต์จึงจะเจอรู้แบบนี้คืออะไรเจ้าคะก็หลงลนี่การจิงตัวรู้กำลังหาตัวรู้อยู่เลยกี่ข้อเอาสักส อ, องข้อนะก็าจะหมดเวลาแล้วนะคำถามจากคุณพิชชาภากว่าจะเข้าใจการใช้คำบริกรรมพุทธโธเคยฟังหลวงตา พูโทรหมุนติ้วติ้ตเข้าใจว่าพุดโธตามลมหายใจเข้าใจแน่แนแน่ชัดตอนที่มาฟังพระอาจารย์แล้วถูกใจเข้าใจที่พระอาจารย์สอนทำเขาไลฟ์ฟังค่ะไลฟ์เราเราก็ผ่านไปทำคทตามอันนี้จากจากยูทูบนะครับกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะถ้าเราขอยืมเงินคนอื่นทําบุญก่อนแล้วค่อยคืนทีหลัง <c oughs> เรายังได้บุญเรายัง มีมีแค่เนี้ยน่าแต่เรายังได้บุญไว้อะไรยางี้ก็ถ้าเราทาบุญเราก็ถ้ามันไม่เป็นเงินของเรามันเราก็ยังไม่ได้บุญมันต้องเป็นเงินของเราจนกว่าเราจะคืนเงินเข้าไปแล้วเป็นเป็นเงินของเราแล้วมันเราถึงจะได้บุญตอนนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเราผ่อนส่งไปก่อนเหมือนกับซื้อบ้านแล้วเราผ่อนไปแต่ยังไม่เป็นบ้านของเรา แต่เป็นบ้านของเราต่อเมื่อเราจ่ายครบแล้วอันนี้เราไปเงินยืมเงินเข้ามาทำบุญก็เหมือนกันยังเป็นเงินของเขาอยู่ถ้าเกิดเราไม่สามารถใจ่ายให้เขาได้ก็เป็นบุญของคนที่เขาให้เรามาแต่เขาก็ต้องยินดีด้วยถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็ไม่ได้บุญถ้าเขาอยากจะทวงคืนเขาอยากจะได้คืนเขาก็จะทุกข์เขาก็จะไม่ได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าเขาคิดว่ า, าเขายืมไปแล้ว เราไม่คืนเร า, เาก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปเป็นการให้ไปเขาก็จะได้บุญบนแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวล า, าก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยุนได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอะเาอยากจะติดตามก็ติดตามได้ทุกวันนะ <c oughs> มีถ่ายทอดสด บ่ายสองโมงถึงสี่โมงเฟซบุ๊เนี่ยอาจารย์สุชาติแล้ว YouTube. ยูทูบเนี่ยบรรยากาศอะไรเงี้มันไม่ได้อะไรน